จเจรินพรยมวันนี้แต่งขาวดำในชีวิตเรานะสิ่งทั้งหลายผ่านมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปรวดเร็วมากอย่างพระพี่นางเคยอยู่ตอนนี้ก็ไม่อยู่ถ้าพวกเรามีชีวิตไปนานๆ น, น, นะเราจะพบว่าทุกอย่างในชีวิตเรานะี้ยมันชั่วคราวทั้งหมดเลยนันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตลอดเวลา น, ะนี่ก็จะผ่านไปอีกปีหนึ่งละ แป๊บเดียวฉลองปีใหม่กันไม่นานนะก็จะสิ้นปีจะได้เวลาฉลองอีกละว่าฉลองกันอยู่ได้ไป่กี่ครั้งนะชีวิตคนเราสั้นนิดเดียวในชีวิตที่สั้นๆเนี่ยเราก็ควรจะใช้ชีวิตที่สั้นๆของเรานี้ให้มันมีค่ามากที่สุดเราลองทบทวนดูว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ไปคุ้มค่าหรือเปล่าบางคนก็คิดว่าคุ้มค่าแล้วนะ หาเงินได้มากๆนะหรือมีมีแฟนหลายๆคนนะชีวิตคุ้มค่าชีวิตอย่างนั้นมันเป็นชีวิตที่แห้งแลง้งชีวิตที่หิวโหวยตลอดเวลาเมื่อไหร่เราจะมีชีวิตที่คุ้มค่านะเป็นชีวิตที่อิ่มชีวิตที่เต็มมีความสุขจริงๆไม่ใช่ต้องแต่เกียกตระกายอยู่ตลอดเวลาเป็นชีวิตที่พอมันมีคาว่าพอเกิดขึ้นในใจ การภาวนานั้นทำให้ชีวิตเราเข้าถึงความพอดีมันพอแล้วมันดีชีวิตมันจะเต็มอิ่มมันก็หมดความดิ้นรนไปสภาวะซึ่งพ้นจากความดิ้นรนความปรุงแต่งพ้นจากความเสียดแทงของความทุกข์อันนั้นแหละเรียกว่านิพพานเราเคยวาดภาพนิพพานไว้ลึกลับซับซ้อนนิพพานเป็นอะไรอย่างหนึ่งก็ไม่รู้บางคนก็บอกว่ารู้นะ นิพพานเป็นเมืองเมืองหนึ่งคล้ายๆบ้านจัดสรร น, นะมีเป็นหลังๆอย่างนั้นนิพพานอย่างนั้นลําบากยังต้องเลือกนายกเทศมนตรีอีกความจริงนิพพานนะคือสภาวะที่พ้นจากความอยากใจเราพอมันพอนะมันไม่หิวชิดดูสิถ้าใจเราไม่หิวมันจะมีความสุขแค่ไหนสังเกตไหมใจเราหิวตลอดเวลา ใ่เรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะดูสิแล้วมันมีความสุขตรงไหนนิพพานเป็นความสิ้นความอยากพ้คนความอยากมันพอมันอิ่มนะมันเต็มอยู่ในตัวเองนิพพานนั้นพ้นจากความดิ้นรนพ้นจากความเสียดแทงพ้นจากความปรุงแตง่งนะเรียกว่าวิสังขารใจของเราปรุงทั้งวันทั้งคืนรูออกไหม เดี๋ยวปรุงดีใช่ไหมเดี๋ยวปรุงชั่วเดี๋ยวปรุงสุขเดี๋ยวปรุงทุกทุกอย่างมีแต่ของปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองกระทั่งพวกปฏิบัติไปปรุงแต่งความนิ่งความว่างความสงบความสุขอะไรขึ้นมาไม่นานมันก็หายไปสงบได้แล้วไม่นานก็ฟุ้งซ่านมีความสุขไม่นานก็มีความทุกข์ใช่ไหม ทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นของคู่โลกนี้เป็นของคู่นะโลกไม่ใช่ของเดี่ยวโลกเป็นคู่ตลอดเวลามีสุขก็มีทุกข์มีดีแล้วก็มีชั่วมีโลภมีไม่โลภมีโกรธมีไม่โกรธมีหลงมีไม่หลงมีฟุ้งซ่านมีหดหูมีโง่มีปัญญาเป็นคู่คู่งั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งตลอดเวลา พวกเราอยากจะเข้าถึงนิพพานนิพพานเป็นสภาวะซึ่งพ้นความปรุงแต่งเราจะพ้นความปรุงแต่งได้เราต้องรู้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่นึกเอาเองว่าทำยังไงจะพ้นความปรุงแต่งนึกเอาเองไม่ได้ถ้านึกเอาเองมันจะเป็นการปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งขึ้นมามัจะหาทางทำว่าทายัางไงจิตจะพ้นความปรุงแต่งหรือทาไงจิตจะพ้นความหิวทาไง จะไม่มีราคะเรียกว่าวิราคะไม่มีตัณหากลายเป็นว่าอยากอยากไม่มีตัณหาใช่อยากจะไม่อยากเนี่ยปรุงแต่งเพื่อจะไม่ปรุงแต่งมันเป็นไปไม่ได้นิพพานจริงๆนะเป็นความสิ้นตัณหาจิตใจก็เข้าถึงความอิ่มความเต็มนิพพานเป็นวิราคะนะเป็นวิสังขารวิสังขารว่าไม่ปรุงที่ไม่ปรุงเพราะมันไม่หิวที่มันหิว ขึ้นมานะมันปลักดันให้ปรุงสังเกตไหมใจเรามีความอยากเกิดขึ้นทีไรก็มีความดิ้นรนเกิดขึ้นที่นั้นกระทั่งอยากฟังธรรมใช่ไใจยังดิ้นรนเลยหลวงพ่อนะเป็นพระที่ไปเทศน์นี่คนจะฟังเยอะแข่งกับพวกที่เขาเล่นคอนเสิร์ตพอได้อยู่นะเอาแบบวงเล็กๆกิกๆก๊กๆนะวงใหญ่ๆคนก็เป็นหมื่นเราสู้เขาไม่ได้หรอกนะแค่จะอยากฟังธรรมนะใจยังปรุงเลย ทำไงจะได้นั่งหน้าทำไงจะได้ถามใช่บางคนก็ถามแล้วถามอีกนะถามแล้วถามอีกเนี่ยใจมันจะดิ้นดิ้ น, นกระทั่งที่วัดหลวงพ่อนะพอเปิดประตูวัดก็บางคนวิ่งแข่งกันเข้ามาในวัดอะไรมันจะขนาดนั้นบางคนจอดรถนะวิ่งพรวดขับรถพรวดมาถึงลานจอดรถนะก็โดดลงไปจากรถนะประตูก็ไม่ปิดนะวิ่งเข้ามาในศาลาก่อน เราเร า, เราแข่งขันนะเราแย่งชิงจนเราเคยชินนะมันหิวตลอดเวลานะกระทั่งหิวธรรมะแต่หิวธรรมะก็ดีกว่าหิวอาธรรมแต่ทะเลาะ ก, กันได้ไหมไดนะ้แย่งกันเข้าศาลาก็ทะเลาะ ก, กันได้นะเนี่ยใจที่มันไม่ได้รับการพัฒนานะมันจะหิวตลอดเวลาเลยมีคราวหนึ่งหลวงปู่ ม, มั่นท่านไปโคราช คนที่โกราชยังไม่ค่อยรู้จักท่านไม่นับถือก็ถามท่านว่าท่านมาทําไมอ่ะท่านมาหาอะไรที่นี่คล้ายๆตีรวนหน่อยๆมาหาอะไรท่านมาทําไมคล้ายๆอดอยากหิวโหวยม่จากไหนท่านบอกท่านไม่ได้มาหาอะไรนะเพราะท่านไม่หิวเสแล้วคนที่ยังเที่ยวหาอยู่เพราะยังหิวอยู่ของเราสังเกตไหมใจเราหิวตลอดเวลาใจเราหิวอะไรดูอับไหม ร่างกายมันหิวข้าวนะแต่ใจหิวอารมณ์จะหิวตลอดใช่ไหมเดี๋ยวอยากอันโน้นเดี๋ยวอยากอันนี้อยากตลอดเวลาพอมีความอยากเกิดขึ้นก็ดิ้นรนทุกครั้งไปดิ้นรนทีไรนะความรู้สึกว่ามีตัวเราก็เกิดขึ้นที่นั้นเมื่อมีตัวเราขึ้นมานะก็มีเครื่องสนองเครื่องรองรับความทุกข์นะมันมีเราผู้เป็นทุกข์นาะก็เปแบกรับความทุกข์เอาไว้ ถ้าเราภาวนาถึงจุดซึ่งไม่มีตัวเราเนี่ยความทุกข์จะมีอยู่แต่ไม่มีคนทุกข์ไม่มีผู้ไปแบกรับความทุกข์ความทุกข์ก็คือกายกับใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์ยังไงก็ต้องทุกข์อยู่อย่างนี้จนวันที่สิ้นขันไปเป็นพร ะ, ะหรหันแล้วนิพพานทิ้งขันให้โลกคืนโลกไปนะก็ไม่ต้องแบกหามความทุกข์อีกก็มีความสุขจริงจริงนิพพานมีอยู่จริงนะนิพพานไม่ใช่เมืองเมืองหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ฝันฝัน ไม่ใช่โลกในอุดมคติตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษาเนะเรียนรัฐศาสตร์เราก็คิดว่านิพพานเนี่ยเป็นโลกในอุดมคติเป็นสภาวะยูโทเปียไม่มีจริงเราภาวนาเราถึงรู้ว่านิพพานมีจริงๆงนิพพานมีจริงนะชาวพุทธต้องกล้าพูดนะไม่ใช่อ้อมอแอมเออ ม, ม, ม, มนิพพานมีจริงๆนิพพานไม่เคยหายไปไหน มันอยู่ที่ว่าใจเรามีคุณภาพพอที่จะเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเองนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นนิพพานไหมไม่เห็นหรอกลืมตาแล้วเห็นคนอื่นเห็นคนอื่นเห็นสิ่งอื่นเห็นหมาเห็นแมวนะเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายลืมตาขึ้นมาทีไรเห็นแต่สิ่งที่เป็นคู่คู่สิ่งที่เป็นสมมุติบัญญัติเพราะจิตเราไม่มีคุณภาพพอเรียกว่าเราไม่มีธรรมจักสุขนวงตาที่เรียกว่า ธรรมาจักสุดวงตาที่เห็นธรรมะเห็นนิพพานได้ผู้ที่มีดวงตาเห็นนิพพานได้เรีวยกว่าพระโสดาบันนั้นตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอกลืมตาขึ้นมาเห็นอะไรเห็นหลวงพ่อประโมทตอนนี้ดูไปดูไปมองหลวงพ่อประโมทเดี๋ใจแวบไปเมื่อวานไปเที่ยวสนำหลวงมานะเห็นพระเมรุนะไปอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมไม่มีไม่ได้เห็นนิพพานเข้าใจนะมันไม่ ไม่พอใจมันไม่อิ่มใจมันไม่เต็มใจมันยังหิวยังดิ้นอยู่นะนิพพานมีอยู่จริงๆนะนิพพานมีความสุขที่สุดทําไมจะไม่มีความสุขก็มันเป็นอิสระอย่างที่สุดก็มีความสุขใจที่ถูกบีบคั้นอยู่มันจะมีความสุขได้ยังไงนิพพานมันมีความสุขที่สุดนะมันอิ่มมันเต็มอยู่แล้วมีความสุขโดยตัวของมันเองใจของเราที่เข้าไปสัมผัสนิพพานมีความสุข นะส่วนตัวนิพพานนั้นก็เป็นความสุขโดยตัวของนิพพานเองเพราะว่าไม่มีความเสียดแทงใจของเราทุกวันนี้ยังมีความเสียดแทงอยูนะ่ด้วยตัณหาราคะทั้งหลายบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะใจเราไม่มีความสุขนะถ้าเราภาวนาไปถึงวันหนึ่งนะใจเราพ้นจากความเสียดแทงไดนะ้เราจะมีความสุขนะมันเต็มมันอิ่มท่านถึงบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังมีความสุขจริงๆ ความสุขที่เรารู้จักในโลกนี้เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเป็นความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นอาศัยคนอื่นความสุขอย่างนี้ยังแปรปรวนอยู่แต่ความสุขของการเข้าไปสัมผัสนิพพานนิพพานไม่เคยแปรปรวนนิพพานมีอยู่ตลอดเวลาไม่เคยแปรปรวนดะงั้นถ้าเราไปรู้ไปเห็นนิพพานนะจิตใจก็มีความสุขเป็นสุขเพราะเห็นธรรมะที่มันไม่แปรปรวน ท้านถึงบอกนิพพานังประมังสุขขังมีความสุขจริงๆนี่พวกเราถ้ามีชีวิตอยู่นะชีวิตของเราไม่ยาวนานเท่าไหร่ถ้าเราขวนขวายปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมวันหนึ่งเราจะได้เห็นนิพพานเราจะได้พบความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราชาวพุทธต้องกล้าพูดนะว่านิพพานมีจริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดลอยๆด้วยท้าให้พิสูจน์ได้ เราพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้พูดลอยๆว่านิพพานมีจริงๆนะโยมนะเชื่ออาตมาเถอะท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านบอกวิธีที่จะให้เราฝึกฝนตนเองจนพบพระนิพพานได้ในชีวิตนี้แหละท่านบอกวิธีไว้ด้วยนะวิธีที่จะทำให้เราเข้าไปพบพระนิพพานได้นะไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนไม่ใช่เรื่องที่ยากเท่าที่คิดจะว่าง่ายนะมันก็ไม่ง่ายมากนะจว่ายากมันก็ไม่เชิง มันไม่ง่ายเพราะว่าใจเราเนี่ยคุ้นเคยกับความปรุงแต่งคุ้นเคยกับความอยากความหิวโหวยนะเราจะมาค่อยรู้ค่อยดูนีมันบางทีสู้ความอยากไม่ได้กระทั่งอยากปฏิบัติธรรมนะบางคนอยากปฏิบัติธรรมเดินจงกรมหามลุ่งหามค่ำหรือนั่งสมาธิหามรุ่งหามค่ำเนี่ยนั่งไปเดินไปก็หวังเมื่อไหร่จะบรรลุสติเมื่อไรจะบรรลุสติแล่นะทาด้วยความอยากไม่บรรลุ ห, หรอกนะไม่มีทางบรรลุเลยต้องรู้หลัก ของการเจริญสติที่แท้จริงก็จะเห็นนิพพานได้จิตจะค่อยๆพ้นจากความอยากจิตพ้นจากความอยากจิตพ้นจากความปลุงแต่งมีวิธีการพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ค้นพบวิธีการอย่างนี้นักปราชญ์อื่นๆเขาก็เคยพูดนะว่านิพพานเป็นบรมสุขในาศาสนาบางาศาสนาก็พูดถึงนิพพานเหมือนกันเขาก็บอกนิพพานมีความสุขต้นเหตุ ให้เกิดความทุกข์นั่นคือตัณหานิกโครนก็สอนนะศา ส, สนาของนิกโนเขาก็สอนเหมือนกันความแตกต่างอยู่ที่วิธีการต่างนะวิธีการของคนอื่นก็เป็นวิธีการแบบของเขาแต่วิธีการของชาวพุทธนะก็ต้องเป็นวิธีการเฉพาะของชาวพุทธวิธีการของชาวพุทธพุทธะแปลว่ารู้นะพุทธะแปลาว่ารู้เราเป็นศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาแห่งการรู้ พระพุทธเจ้าชื่อว่าพระพุทโธนะพุทโธคือท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนั้นภาวะของความรู้นี่แหละทำยังไงเราจะเกิดภาวะแห่งความรู้ขึ้นมาสู้กับความไม่รู้ความไม่รู้ชื่อว่าอวิชชานะความรู้ชื่อว่าวิชชานะทํายังไงเราจะล้างอวิชชาได้ทําไงจะเกิดวิชชานะถ้าเราเข้าถึงภาวะแห่งการรู้ได้อย่างแท้จริงนะเราจะพ้นจากความปรุงแต่งได้พ้นจากความทุกข์ใด แต่ว่าต้องรู้ให้เป็นนะหลักของการรู้ที่ถูกต้องหรือหลักของการเจริญสติปัฏฐานการทำมิปัสนากรรมฐานที่ถูกต้องนะถ้าสรุปง่ายๆภาษาไทยนะมีสติรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงนะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันด้วยจิตที่ตั้งมั่นและก็เป็นกลางยาวไปไหมถ้ายาวไปนะก็ไปหาหนังสือ วิธีแห่งความรู้แจ้ง2อ่านเอานะเอาเวอร์ชัน2นะเวอร์ชันนตอนเขียนความรู้ยังไม่แจมแจ้งนะอ่านตอนเวอร์ชัน2ให้มีสติรู้กายรู้ใจนะรู้ตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจที่กำลังมีอยู่จริงๆแล้วรู้มันตามที่มันเป็นจริงๆรรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าฝึกอย่างนี้ได้แล้วก็ไม่นานไม่นานนะจะรู้แจ้ง ในความเป็นจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือมันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเป็นทุกข์คือมันถูกบีบคั้นถูกเสร็จแทงตลอดเวลาอย่างร่างกายเนี่ยถูกเวทนาบีบคั้นตลอดเวลานั่งอยู่ก็เมื่อยเดินก็เมื่อยนอนก็เมื่อยเห็นไหมทำอะไรก็ถูกบีบคั้นหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์กินเข้าไปก็ทุกข์ไม่กินก็ทุกข์นะขับถ่ายมากไปก็ทุกข์ไม่ขับถ่ายก็ทุกข์อีกนีมันถูกบีบคั้นร่างกาย จิตใจก็ถูกกิเลสตันหาบีบคั้นตลอดเวลานี่มันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยในกายในใจนี่ความจริงของเขาความจริงของเขาอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราอย่างแท้จริงนี่มีเยอะแยะเลยมีเยอะแยะนับไม่ถูกแล้วนะถ้าแจกปริญญาคงแจกไม่ทันนะนี่ยังเห็นว่าจิตเป็นเราอยู่ ถ้าวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราอย่างแท้จริงก็จะเป็นพระโสดาบันวันนั้นนะนี่วิธีการนะบอกแล้วให้มีสติรู้กายรู้ใจนะที่กำลังปรากฏนะตามความเป็นจริงได้ไหมมีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่มีสติไปรู้อย่างอื่นนะสติพูดมาทุกวันที่เจอหน้ากันว่าสติคือความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากาหนด สติเป็นความระลึกได้หลวงพ่อจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องสติมากนักนะสติเป็นความระลึกได้สติเกิดจากทีรัสัญญาคือจิตจําสภาวะได้แม่นจิตจําสภาวะได้แม่นถ้าเราหัดดูบ่อยๆหัดรู้สึกบ่อยๆใจโกรธไปก็คอยรู้สึกใจโลภก็คอยรู้สึกใจฟุ้งซ่านใจหดหู่คอยรู้สึกไปเรื่อนะรู้สึกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งสติจะเกิดตรงที่สติเกิดเนี่ยเวลาใจลอยไปนะสติก็ระลึกได้เองว่าใจลอยไปแล้ว เวลาโกรธขึ้นมาสติก็ระลึกได้ว่าโกรธไปแล้วมันเป็นเองนะหรือสติมันระลึกรู้กำลังอาบน้ำถูสบู่อยู่นะระลึกปั๊งไปนะระลึกถึงตัวรูปได้เห็นเป็นท่อนๆเห็นะเป็นท่อนๆเป็นแท่งๆเป็นแข็งๆอ่อนๆเป็นเย็นเป็ น, ป น, ปนร้อนนะไม่มีตัวมี ต, มตนอะไรนะสติต้องเกิดเองจากการที่จิตจาสภาวะได้แม่นนะ สติที่ใช้เจริญวิปั ส, สนาต้องเป็นสติที่ใช้รู้กายรู้ใจตัวเองถ้าไปรู้ของอื่นนะทำวิปั ส, สนาไม่ได้จริงเพราะวิปั ส, สนาเนี่ยทำไปเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรานะวิปั ส, สนาทําไปเพื่อให้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรม ท, ที่หมุนเวียนเปลี่ย น, ปยนแปลงเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่ถาวร น, นั้นไม่มีนี่วิปัสนามุ่งมาตรงนี้ เพราะฉนั้นวิปัสสนาเนี่ยต้องคอยรู้กายรู้ใจยังบางคนไปเดินจงกรมเนะท้ากระทบพื้นนะพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งรู้หมดเลยนะรู้เรื่องพื้นนะไม่มีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราอยู่ละมีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราที่กำลังนั่งทับเนี่ยเรากําลังโดนนั่งทับมีใครรู้สึกไหม mm. มีแต่เราไปนั่งทับมันใช่ไหม mm. นี่ยเรารู้สึกกายนี้ใจนี้คือตัวเรางั้นดูลงมาในกายในใจนี้ตัวเราอยู่ที่ไหนดูลงไปที่นั่น ความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ที่ไหนรู้ลงไปตัวเราอยู่ที่กายรู้ลงที่กายตัวเราอยู่ในใจนี่รู้ลงไปที่ใจรู้ลงไปซิจริงๆมีตัวเราไหมกายกับใจที่เราจะใช้รู้ก็ต้องเป็นกายกับใจในปัจจุบันด้วยนะไม่ใช่กายกับใจในอดีตเพราะกายกับใจในอดีตไม่ได้มีจริงเป็นแค่ความจำแล้วก็ไม่ใช่กายกับใจในอนาคตกายในอนาคตใจในอนาคตยังไม่มีเป็นแค่ความคิด ในอดีตก็เป็นแค่ความจำอนาคตก็เป็นแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงความจริงอยู่กับปัจจุบันต่อหน้าต่อตานี้นั้นพยายามอยู่กับปัจจุบันนะรู้สึกกายรู้สึกใจที่กำลังปรากฏในปัจจุบันรู้ต้องรู้ตามความเป็นจริงของเขาไม่ใช่รู้แล้วเข้าไปแทรกแซงนะพวกเราเวลารู้กายก็แทรกแซงรู้ใจก็แทรกแซงเช่นเวลาจะเดินจงกรมใช่ไหม เราเคยเดินสบายๆนะเดินทั้งวันอ่ะเดินทุกวันอยู่แล้วเดินมาตั้งแต่เดินได้เชืว่าเดินแต่เกิดไม่ได้ใช่ไหมเพราะคนเกิดมามันยังไม่เดินไม่ใช่ลูกวัวลูกวายลูกวัวไก่นะชั่วโมงสองชั่วโมงมันเดินได้แล้วลูกคนนี่นอนเอาตั้งแต่เดินได้เนี่ยเราก็เดินอยู่ทุกวันทุกวันแต่เราเดินไม่เป็นเดินแล้วไม่มีสติเนียถ้าเรามีสตินะรู้ลงปัจจุบันไปยืนเดินนั่งนอนนะรู้ลงปัจจุบัน เห็นกายเห็นใจที่กําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันรู้ไปเรื่อยๆของจริงมันอยู่ตรงนี้ก็ดูจากของจริงไม่ได้ดูจากความคิดความฝันในอนาคตหรือความจําในอดีตเอาของจริงมาดูดูสิเป็นตัวเราจริงไหมนี่ถ้าไปคิดถึงตัวตนในอดีตนั่งนึกถึงหน้าตาของเราตอนสามขวบเห็นไหมคนนั้นไม่มีแล้วนี่ไม่เที่ยงนี่อย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นตัวนี้ทนท้ออยู่นี่เลยเนี่ยเห็นตัวเนี้ยแหละมันไม่ใช่ตัวเราอนะ ถึงจะเป็นวิปัสนาเพต้องดูลงปัจจุบันนะดูตามความเป็นจริงด้วนยะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันถูกบีบคั้นตลอดเวลาทั้งนั้นบังคับไม่ได้หรือมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุดูลงเป็นไตรลักษณ์เรื่องนี้ก็พูดทุกครั้งที่เจอกันนะไปดูเอาเองไปฟังเอาเองนะถ้าเรารู้กายรู้ใจนะที่กําลังปรากฏในปัจจุบันเนี่ยตามความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่จะเดินจงกรมก็บังคับจิตให้นิ่ง จะนั่งสมาธิก็บังคับจิตให้นิ่งหรือเดินจงกรมก็ต้องวางมาตใช่ไหมต้องเดินท่านี้ท่านี้จะนั่งก็ต้องวางมาา ต, ต้องนั่งให้สง่างามถึงยันเป็นนักปฏิบัตินั่งท่านี้ปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่เลยนะอย่าเข้าใจผิดมันไม่ได้สําคัญอยู่ที่อิริยาบถอะไรกริยาท่าทางอะไรมันสําคัญอยู่ที่คุณภาพของจิตในการที่ไปรู้กายรู้ใจต่างหากถ้าเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะตีลังกาอยู่ก็ได้ ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อพุธเมื่อก่อนท่านเคยมาสอนที่นี่แล้วหลวงพ่อพุธนี่แหละท่านสั่งไว้นะว่าอย่าทิ้งสาราลุงชินนะเราเลยต้องอดทนมาที่นี่นะเพระครูบาอาจารย์ท่านสั่งไว้แต่ท่านไม่ได้บอกว่าให้ให้ไม่ทิ้งนานแค่ไหน <c oughs> นี่ยดูไปนะดูลงความจริงความจริงคือไตรลักษณ์นะ ดูกายดูใจดูเปลี่ยนใจรักณ์ไม่ไปแทรกแสงไม่ใช่เวลาจะเดินจงกรมก็ต้องวางม่านค่อยๆเดินอะไรย่างเงี้ยหรือจะนั่งสมาธิต้องวางฟอร์มวางฟอร์มทางกายไม่พอต้องวางฟอร์มทางใจด้วยรู้สึกไหมต้องทําใจให้ซึมก่อนถึงจะดีนะ <c oughs> นึกออกไหมมันแกล้งทําทั้งหมดเลยนะมันไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงแต่มันเป็นการแกล้งทํา มันอย่าไปดัดแปลงกายอย่าไปดัดแปลงใจเราต้องการรู้กายที่เป็นจริงรู้จิตใจที่เป็นจริงเราอย่าไปดัดแปลงเขาอย่าไปบังคับเขาอย่าไปแทรกแซงรู้กายรู้ใจอย่างที่มันกาลังเป็นอยู่จริงๆรนะรู้ไปนี่การรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยรู้ลงปัจจุบันเนี่ยแค่นี้ยังไม่พอจิตที่เป็นคนไปรู้เนี่ยต้องมีความตั้งมั่นแล้วก็ต้องมีความเป็นกลางมีสองเงื่อนไขต้องมีความตั้งมั่น ตั้งมั่นคือมีความมีสัมมาส ม, มาธิจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่จิตที่ไหลไปหาอารมณ์พวกเราที่ภาวนาล้มลุกลุกลครานไม่เกิดมรรคผลนผิพพานสถีเพราะอะไรเพราะว่าจิตไม่ตั้งมัน่นถึงมารู้กายมีสติรู้กายมีสติรู้ใจถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นมันจะกลายเป็นการเพ่งกายเพ่งใจจิตมันจะไหลไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่กายไหลไปเพ่งอยู่ที่ใจ อย่างคนที่หัดอาณาปานาสติรู้ลมหายใจสังเกตให้ดีเถอะเกือบร้อยละร้อยนะถ้าไม่ได้ฟังธรรมที่แท้จริงเน่เกือบร้อยละร้อยเลยจะไปเพ่งลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจคนที่ดูท้องพองยบนะเกือบร้อยละรอยนี่พูดแบบเกรงใจที่สุดแล้วนะเกือบร้อยละร้อยจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตก็ไหลไปอยู่ที่เท้าไปรู้อิริยาบทสี่นะไปเพ่งมันทั้งตัวเลย ขยับมือจิตก็ไปเพ่งอยู่ในมือมันมีแต่เข้าไปเพ่งจิตที่ไหลเข้าไปเพ่งตัวอารมณ์เนี่ยเป็นจิตที่ใช้ทําสมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานจิตที่เพ่งอารมณ์เนี่ยมีภาษาแขคชื่อว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถกรรมฐานเพราะงั้นที่พวกเราส่วนใหญ่ทําอยู่เป็นแค่สมถกรรมฐานใจไม่ตื่นจริงๆหรอกมีแม่ชีคนหนึ่ง เขาโทรศัพท์มาหากรรมการวัดคนหนึ่งคือชมพูเพราะมีเบอร์ของชมพูอยู่เบอร์วัดเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าแกเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานอยู่ที่สำนักแห่งหนึ่งนะแต่สำนักเนี่ยไม่ยอมให้ไปไหนมาไหนง่ายๆก็ เ, เลยต้องใช้แอบโทรมาแกเล่า ว, ว่าแต่เดิมแกก็สอนกรรมฐานแลแกก็ภาวนางแกด้วยแกเครียดมากเลยหลังแกแข็งเป็นก้อนหินอย่างนั้นเลยทรมานมาก ต่อมาคนซึ่งไปเข้าคอร์สเกี่กัเอาหนังสือหลวงพ่อไปแกก็ไปขอดูนะแล้วก็สนใจเขียนจดห ม, มายมาขอหนังสือไปเอาไปอ่านคงต้อ ง, ต, องต้องแอบอ่านอนะซนะีดีฟังไม่ได้เดี๋ยวคนเห็นได้ยินเป็นอาจารย์นะนะอ่า น, อ, านอ่านไปรู้สึกโอ้เราทําผิดเราไปเพ่งอารมณ์เราไม่ได้รู้ลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์นะแกบอกพอแกรู้ตรงนี้แกเห็นว่าจิตไปเพ่งจิตก็คลายออก แกบอกว่าตอนนี้นะแกมีความสุขขึ้นเยอะเลยการภาวนาของแกง่ายหลังแกก็ไม่แข็งเป็นก้อนแล้วนะหน้าตาแกนี่คนมาบอกเลยแกหน้าใสหน้าตาแกผ่องใสผิดแต่แต่เดิมแต่เดิมเครียดนะที่สําคัญนะนี่เขียนเล่ามาอย่างละเอียดอีกบอกแต่เดิมเนี่ยปีอัปีหนึ่งนะประจําเดือนมาสองครั้งเองพราะเครียดตั้งแต่มาภาวนาแนวหลวงพ่อปรามโมทแล้วประจําเดือนมาตามกําหนด <c oughs> โอ้เน่เราก็เพิ่งรู้นะ เมืาภาวนาแล้วประจําเดือนมาตามกําหนด <c oughs> เพราะอะไรเพราะไม่เครียดพวกเราอะภาวนาจนทั้งเครียดนะพี่กนพี่การไปเยอะแยะเลยนะเพราะทําผิดนะถ้าเข้าใจที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วจะไม่เครียดหรอกเราจะรู้กายนะเห็นกายมาเป็นทุกข์แต่ร่าเริงนะเห็นจิตนะดีบ้างร้ายบ้างเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู แต่เราร่าเริงที่ได้เห็นความแปรปรวนของมันนี่ความประหลาดอยู่ตรงนี้แล้วเราจะมีความสุขนะมีความสงบแต่ร่าเริงไม่ใช่สงบแบบเสื่องเสื่องซึมซึมสังกาตายหรือเครียดเครียดแข็งแข็งนะอันนั้นเป็นเพราะการเพ่งตัวอารมณ์ทั้งสิ้นไม่ใช่การรู้ลักษณะของอารมณ์นะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะเราต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะเป็นแค่คนดูเราจะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึง่งจิตอยู่ส่วนหนึง่งเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึง่งจิตอยู่ส่วนหนึง่ง เห็นกุศลอกุศล โ, โลภปกรดหลงทั้งหลายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตเกิดดับไปทางตาเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจได้เห็นอยู่อย่างนี้ได้ๆนะอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะมันจะเห็นความจริงอย่างนี้การที่มันเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันได้แสดงปัญญาให้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเรากายนี้ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เรานะ สังขารทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่เราจิตก็เกิดดับไปทางทวารต่างๆจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมมันจะมีปัญญาขึ้นมาถ้าใจเราตั้งมั่นได้งั้นเงื่อนไขสำคัญนะว่าจะเกิดปัญญาหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ว่าจิตตั้งมั่นหรือจิตเข้าไปตั้งแช่ในอารมณ์ถ้าจิตเข้าไปตั้งแช่ในอารมณ์จะเป็นสมถะอย่างบางคนเดินจงกรมแล้วเพ่งอยู่ที่เท้ายกเท้าย่างเทารู้หมดเลย แล้วก็ตัวลอยตัวเบาตัวโครงนะตัวเล็กตัวใหญ่บางคนตัวลอยนะบางคนรู้สึกบูบวาบเหมือนฟ้าแลบบางคนรู้สึกกดลูกขนพองบางคนรู้สึกเหมือนมแมลงมาไต่ร่างกายอะไรนี่เป็นอาการของปีติทั้งสิ้นเลยเป็นเรื่องของสมถะทําไมคิดว่าทำ ม, มิปัสสนาแล้วกลายเป็นสมถะก็เพราะจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะเจริญปัญญาไม่ได้เพราะว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลไปอยู่ในอารมณ์แล้วไปแช่ไปเพ่งตัวอารมณ์นะเป็นสมถกรรมฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเพ่งอะไรก็เป็นสมถะทั้งหมดถ้าจิตตั้งมั่นก็จะเดินมิปัสชนาได้เห็นความจริงนี่พอเห็นความจริงแล้วมาถึงตัวสุดท้ายใช่ไหมที่แรกหลวงพ่อบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจนะที่เป็นปัจจุบันนะตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นประโยคสุดท้ายและเป็นกลาง เวลาที่เราไปเห็นสภาวะแล้วบางทีจิตก็ยินดีขึ้นมาบางทีจิตก็ยินร้ายขึ้นมาเช่นเราเห็นจิตใจของเรามีความสุขเราก็พอใจหลายคนภาวนานะดูจิตดูใจดูไปเรื่อยๆความปรุงแต่งหยาบหยาบดับไปเกิดความปรุงแต่งละเอียดที่เรียกว่าความว่างขึ้นมะความว่างๆที่เราภาวนาแล้วไปเห็นข้าวนี้เป็นแค่ความปรุงแต่งละเอียดไม่ใช่นิพพานนะนิพพานไม่ได้ว่างอนาถาแบบนั้นะ นิพพานไม่ได้ว่างแบบมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีวงแคบๆอยู่ว่างอยู่นิดๆหน่อยๆอยงนั้นอันนั้นเรียกว่าช่องว่างงั้นบางคนภาวนานะจนใจก็ว่างขึ้นมาพอใจว่างแล้วราคะเกิดพอใจในความว่างพอใจในความนิ่งไม่ยอมเจริญปัญญาต่อมีเยอะนะตอนนี้เร่ง ม, มีเยอะขึ้นภาวนาแล้วก็ใจสบายมีความสุขพอมีความสุขแล้วพอใจแค่นี้แล้ว นะไม่มารู้กายไม่มารู้ใจจิตไม่สามารถทวนกระแสเข้ามารู้กายรู้ใจได้ตือนี้ที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆว่าจิตไม่ถึงฐานนะจิตมันไหลตามอารมณ์ไปเพลินเว่างๆอยู่ข้างนอกนะเนี่ยรู้อย่างไม่เป็นกลางรู้แล้วหลงยินดีบางทีเห็นกิเลสเกิดขึ้นก็เกลียดมันนะหาทางต่อสู้ใหญ่เลยทายังไงจะเอาชนะกิเลส หรือเรานั่งสมาธิอยู่มันปวดมันเมื่อยทำยังไงจะชนะความปวดความเมื่อยนี่คิดภาวนาเอาชนะนะคิดภาวนาเอาชนะหรือคิดภาวนาแล้วท้อแท้ตามกิเลสไปนี่ก็คือความไม่เป็นกลางทั้งสิ้นนะถ้าหากเรารู้ทันความไม่เป็นกลางให้รู้ทันนะเช่นเราไปเห็นคนนี้ใจเราชอบขึ้นมาเรารู้ทันว่าใจชอบในี่ใจไม่เป็นกลางแล้วชอบขึ้นมาต่อมาเรามีสติรู้ทันว่าใจไปชอบเขาเราเกิดไม่ชอบความชอบนี้ขึ้นใหมละ นีไม่เป็นกลางแล้วเรารู้ทันว่าใจไม่ชอบเนี่ยรูปความไม่เป็นกลางแล้วมันจะเป็นกลางของมันเองความเป็นกลางมีหลายระดับอันนี้ก็เทศเรื่อยๆนะความเป็นกลางด้วยสมถะก็มีเพ่งเอาไว้แล้วมันก็เป็นกลางเป็นกลางด้วยสติก็มีเป็นกลางด้วยปัญญาก็มีเป็นกลางด้วยสติคือพอไปรู้ทันความไม่เป็นกลางความไม่เป็นกลางดับไปอันนี้ก็ยังใช้ได้นะแต่ว่าเป็นกลางที่แท้จริงจะเป็นกลางด้วยปัญญาคือเห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ํำอีกว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยง ทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างเป็นอนัตตแต่เห็นซ้ำไปซ้ำมานะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรดหลงก็ชั่วคราวกุศลทั้งหลายก็ชั่วคราวพอเห็นอย่างนี้ใจจะเป็นกลางเองอันนี้กลางด้วยปัญญาความเป็นกลางด้วยปัญญานี่แหละคือประตูของการบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อจิตเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วจิตจะหมดความดิ้นรนถ้าจิตเป็นกลางด้วยวิธีอื่นจิตยังดิ้นรนเพื่อจะเข้าไปสู่วิธีนี้ จิตยังต้องดิ้นรนอีกเช่นเป็นกลางเพราะสมถะวันไหนไม่เป็นกลางก็ต้องกลับไปทำสมถะเพื่อให้มันมาเป็นกลางอีกนะถ้าเป็นกลางเพราะปัญญามันจะเลิกดิ้นมันจะรู้เลยว่าทุกอย่างในโลกนี้ของโช่วคราวทุกอย่างเป็นภาพลวงตาใจมันเห็นอย่างนี้นะใจมันไม่ดิ้นลนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในกายในใจร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็ไม่ดิ้นรนจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์นะจิตใจก็ไม่ดิ้นรน กุกระทั่งอกูศลเกิดขึ้นเช่นบางทีภาวนาแล้วมันมืดมืดมัวมัวนะภาวนาแล้วมัวดูไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยส่วนยเเยะมากจะมาตายตอนนี้ก็มีพอดูไม่รู้เรื่องแล้วทุรนทุรายนะอยากดูให้ชัดอยากรู้ให้ชัดเนี่ใจไม่เป็นกลางถ้าดูไปแล้วมันวันนี้มันมัวมัวจิตมีแต่โมหะมัวมัวรู้ว่ามีโมหะนอย่าไปเกลียดมันรู้ด้วยความเป็นกลางสิมันจะขาดสะบั้นต่อหน้าต่อตาเลยนะเพราะงั้นจําไว้หน้าชี้เวททั้งหลายนะ รู้กายรู้ใจนะมีสติสติที่แท้จริงนะรู้กายรู้ใจนะที่เป็นปัจจุบันด้วยนะไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตนะรู้ตามความเป็นจริงคืออย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับเขานะรู้ตามความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์นะด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางถ้าจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางนี่เป็นทางเดินที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเดินกันมาเป็นหลัก ในสติปัฏฐานในวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองหลวงพ่อเอามาพูดใหม่ด้วยภาษาใหม่ๆนะให้คนรุ่นใหม่ๆฟังบางคนถึงจะดูเก่าแก่นะก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะได้ฟังธรรมะแบบใหม่ๆเนื้อหาสาระ ก, ก็ของเดิมที่พระพุทธเจ้าบอกนั่นแหละนะมีตาําราอภิธงอาพิธรรมนะมาวางท่าข้าไปก็ลงกันได้นะถ้าเราทําได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะ7วัน7เดือน7ปีเนี่ยจะต้องได้ผลบ้าง คนสมัยพุท ธ, ธกาลเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอนาคาคาของเรารุ่นนี้อินทรีย์ของพวกเราอ่อนหน่อยเพราะว่าสิ่งยั่วยุมันเยอะเหลือเกินใช่ไหมกิเลสมันรุนแรงกระแสมันเชี่ยวกลากแค่ลืมตาตื่นขึ้นมานะนึกถึงการเมืองก็วุ่นวายจะแย่แลวใช่ไมไม่รู้จะออกเหนือออกใต้อย่างไรออกหัวออกก้อยไม่รู้เลย เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีหุ้นจะขึ้นหรือจะตกใช่มขึ้นขึ้นตกตกทั้งวันนี้มันชวนให้แกว่งตลอดเวลาเลยเนี่ยสิ่งยั่วยุเหล่านี้นะมันทําให้เราภาวนาลําบากนะมันดึงดูดความสนใจของเราออกไปภายนอกนะเพราะฉะนั้น7วัน7เดือน7ปีถ้าเราทําได้ถูกนะได้โสดาได้สกทาคาก็บุญแล้วล่ะนะถ้า7วัน7เดือนเปียังไม่ได้ก็ดูต่อไปเพราะว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยเรามีความสุขอยู่แล้ว เรียกว่าเรามีความสุขอยู่ในปัจจุบันแล้วถ้าบุญมาวาสนาส่งนะอินทรีแก่กล้าบรรลุมรรคผลไปก็เท่ากับได้กำไรมากขึ้นมีแต่กำไรแล้วก็กำไรนะภาวนาที่ถูกต้องถ้าภาวนาผิดเนี่ยนอกจากจะไม่หายทุกข์แล้วยังจะทุกข์มากขึ้นนอกจากไม่หายเครียดยังเครียดมากขึ้นไปดูได้ตามโรงพยาบาลบ้านะเอาวันนี้เทศเท่านี้พอสมควรนะไปภาวนานะ จับหลักให้แม่นแล้วก็มันไม่ยากอะไรหรอกอ่ะต่อไปชิญถามกาลนามสกาญค่ะหลวงพ่อเ อ, อจะถามว่าให้หลวงพ่อช่วยหาวิหารทําให้หนูด้วยค่ะเพราะว่าหนูยังไม่รู้ว่าต้นริดของหนูควรจะทำอะไร<น>ดีสวดมนต์ไปนะสวดมนต์สั้นๆสวดมนต์ไปแล้วก็คอยสังเกตใจใจเรายังฟุ้งซ่านอยู่ รู้สึกไม้มใจเราฟุ้งซ่านเยอะฟุ้งซ่านง่ายฟุ้งซ่านทั้งวันนะังั้นใจเราฟุงา้งซ่านเราทําสมถะก่อนสมถะที่ง่ายๆก็อาจจะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแต่เราไม่ได้พุโทโธเพื่อให้ใจนิ่งเพราะอย่างหนูพุโทโธใจก็ไม่ยอมนิ่งง่ายๆหรอกใจมันช่างคิดเราพุโทโธพุโทโธแล้วเราสังเกตใจไปเรื่อยพุโทโธแล้วใจสงบก็รู้พุโทโธแล้วใจฟุ้งซ่านก็รู้ พุโทโธแล้วใจลอยไปคิดเรื่องอื่นก็รู้พุโทโธแล้วใจเป็นยังไงก็รู้นะไปฝึกอย่างนี้นะค่ะแล้วก็หนูต้องจําเป็นไปเรียนพระอภิธรรมไหมคะหรือว่าปฏิบัติอย่างเดียวคะปฏิบัติก่อนนะคือไปเรียนพระอภิธรรมเนี่ยกว่าจะจบหลักสูตรได้เจ็ดปีครึ่ง <c oughs> เดี๋ยวหนูแก่ซะก่อนมีนําซ้ําหน้าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเจ็ดปีครึ่งข้างหน้าเราจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ามไม่รู้นะนี่ภาวนา จับหลักให้แม่นก่อนนะเอาหลักเท่าที่หลวงพ่อบอกนี่แหละภาวนาเป็นแล้วลองไปเรียนอภิธรรมดูแล้วจะมันที่สุดเลยจะมันมากกว่าพวกที่เขาไม่ได้ปฏิบัติคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัตินะเขาก็สนุกนะใช้ด้วยวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลอะไรเงี้ยใช้ตักกะสนุกดีแต่ถ้าภาวนาแล้วเราเห็นตัวสภาวะเราไปเรียนนะโอ้ยสนุกสะใจเราจะนับถือพระพุทธเจ้ามากกว่านี้อีกค่ะก็ ปิดเทอมมาหนูขอไปปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อได้ไหมคะได้ถ้าจับฉลากได้นะวันที่ยี่สิบเก้าจับฉลากนะมีบางคนเริ่มมาขอพรนะขอให้จับได้เนี่ยชาวพุทธชอบขอชาวพุทธอย่าเชื่อกเรื่องการพึ่งสิ่งอื่นคนอื่นนะต้องพึ่งตนเองขนไกวเข้านะตั้งใจจริงจับปีนี้ไม่ได้ปีหน้าเราคงได้นะ อย่าตายซะ ก, ก่อนก็นแล้วกันค่ะต่อไปกรรมน้การหลวงพ่อครับผมเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกนะฮะก็ปกติเคยปฏิบัติกับวัดป่านะครับคีนี้อยากจะสอบถามท่านอาจารย์ว่าขณะที่นั่งสมาธิแล้วจิตมันเป็นหวังแล้วมันก็อยู่นิ่งๆเฉ ย, ยๆเนี่ยครับการปฏิบัติต่อไปเนี่ยสมควรจะทำยังไงครับ ก็เมื่อจิตเคลื่อนล อ, อกไประวังจิตเริ่มไหวตัวขึ้นมาให้มีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปเมื่อถอยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกจิตเป็นยังไงตามรู้ไปเลยนะอย่าปล่อยทิ้งไปเฉยๆแล้วที่สําคัญนะอย่าปล่อยให้ความรู้สึกสงบภายในเนี้ยติดค้างออกมาอยู่ข้างนอกถ้าติดค้างออกมาจะซึมอย่างนี้ทั้งวันอยีกเนี้ยเดินปัญญาไม่ได้นะสมาทรนเพื่อพักผ่อนพักผ่อนเสร็จแล้วต้องมาเดินปัญญา วัดป่ารุ่นหลังเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อว่านะท่านอาจารย์มหาบัวท่านบ่นว่ารุ่นหลังๆมันทําแต่สมถละล้นะไม่ยอมเดินปัญญาเดินปัญญาต้องมีสติรู้กายรู้ใจอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อบอกการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันด้วยจิตที่เป็นกลางนี่แหละแต่ท่านจิตที่เป็นกลางท่านไม่ได้พูดนะท่านบอกมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันท่านสอนหลวงพ่อไว้แค่นี้ นั้นเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจในปัจจุบันไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจของคุณอย่างเพ่งกายเพ่งใจอยู่เพราะมันติดความสงบข้างในออกมาด้วยให้คอยรู้สึกอย่างตอนนี้รู้สึกไหมใจ น, นิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมใจยังไม่เป็นธรรมชาตินะจิตใจที่นิ่งกว่าความเป็นจริงนั่นเป็นจิตของลมไม่ใช่จิตของมนุษย์ในขณะที่จิตที่ดีที่สุดสําหรับการทํามิปัสสนาคือจิตของมนุษย์ธรรมดาทําไมล่ะจิตของลมมันนิ่ง ม, มันมีความสุขอยู่เป็นวันวันงั้นมันไม่มีความไม่เที่ยงให้ดูหรอกมันไม่มีความทุกข์ให้ดหูมันรู้สึกว่าบังคับได้ไม่มีอนัตตาให้ดูแต่จิตของมนุษย์นนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเวลาแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาเพร า, เาะา เ, าเราใช้จิตมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแหละทำมิปัสสนานะแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมากก็ทําความสงบพักผ่อนให้จิตมีกําลังมีกําลังแล้วออกมารู้กา ย, ร, กายรู้ใจตามที่เขาเป็นจริงๆของคุณติดเที่ยงไว้นิดหนึ่งนะแต่ใกล้จะหลุเต็มทีละ เราส อ, อบถามอีกครั้ง<า>อีกกองครับอาจารย์แล้วถ้าหากว่าเราออกมาดูรู้ใจรู้กายแล้วนะครับแล้วการปฏิบัติตมาที่เนี่ยมันจะรวมกันได้หรือไม่ครับถึงเวลาทำความสงบก็ทําไปนะหมดเวลาทําความสงบแล้วมีสติรู้กายรู้ใจนี่เวลาทําความสงบบางคนติดในความสงบครูบาอาจารย์จะสอนให้พิจารณาาย แต่ว่าถ้าทําความสงบมากก็เสียเวลานิ่งๆโง่ๆอยู่อย่างนั้นพิจารณามากเลยนะไม่ยอมทําความสงบจิตก็ฟุง้งซ่านใช้ไม่ได้ท่องพู่นะหลวงปู่มั่นท่านสอนหลักเอาไว้บอกว่าทําความสงบมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุง้งซ่านต้องทําพอดีพอดีสมดุลกันแต่หัวใจของการปฏิบัติจริงๆนะคือการมีสติในชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวถ้าทําตรงนี้ไม่ได้นะไม่มีฝันบรรลุมากคผลนิพพานหรอก พราเราทิ้งส่วนที่เป็นสาระแก่นสารซะแล้วแต่นั่งสมาธิไม่บรรูหร อ, อกกราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมได้มาฟังธรรมหลวงพ่อแล้วก็ฟังซีดีของหลวงพ่อทุกวันแล้วก็ได้ปฏิบัติมาเต็มๆก็สองเดือนเลเจ้าค่ะแรกๆ ก, ก็ติดบริกรรมปัจจุบันก็ยังนึกภาคอยู่ในใจอยู่เจ้าค่ะว่า มันมีความรู้สึกอะไรแต่พอมาหลังๆเนี่ยจิตมันเริ่มมัวมัวมันไม่ค่อยไม่ค่อยชัดแล้วก็พอมีสัมผัสผัดสะเยอะๆตามไม่ค่อยทันเจ้าค่ะก็ต้องซ้อมทุกวันนะมีรูปแบบของการปฏิบัติบ้บางนะจะเดินจงกรมหรือจะทำสมาธิอะไรเงี้ยหรือจะไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยก็ได้แล้วคอยตามรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตเคลื่อนไหวคอยรู้สึกต้องซ้อม ถ้าไม่ซ้อมเลยสติไม่คยเกิดหรอกงั้นต้องมีรูปแบบของการปฏิบัตินะของคุณผู้ชายแต่เกียรรู้สึกไหมจิตนิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยต้องเลิกให้ได้นะตัวนี้แหละขวางทางวิปัสสนาอยู่มันนิ่งคงที่อยู่อย่างเงี้ยต้องปล่อยให้ได้ต้องใจถึงหลวงพ่อไปเสียเวลาอยู่ตรงนี้22ป่ปีเราถึงพูดได้เต็มปากเลยว่ามันไปไม่รอดหรอกสมถะมันไม่ได้ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานคนละเรื่องกัน ของคุณใจลอยจิตของคุณมันไม่มีกําลังคุณผู้หญิงอ่ะดังั้นะคุณต้องทําในรูปแบบนะจิตถึงจะมีกําลังมากกว่านี้ค<ะ>เช่นเราเดินจงกรมไปเดินแล้วใจมันฟุ้งก็รู้ว่ามันฟุ้งไปเดินแล้วรู้สึกใจยังไม่มีเรี่ยวมีแรงก็ช่างมันเดินไปเรื่อยๆนะวันแรกก็เป็นงี้สองวันสามวันเดี๋ยวมันก็มีแรงขึ้นมาเองเราไม่ท้อถอยนะเราก็ทําเรื่อยๆอะไปต่อไปได้ถามว่าเข้าชิวไว้ยี่สิบคน <c oughs> นมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อทุกวันนี้ก็พยายามที่จะปฏิบัติในรูปแบบบ้างนะคะแต่ว่าทํางานค่อนข้างเยอะและองงานกลับมาทําที่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นก็กว่าจะได้ปฏิบัติก็จะดึกมากนะคะเราท้างานเยอะเนี่ยเราปฏิบัติตรงช่วงว่างเวลาเราทํางานเราไม่ได้ทําตลอดเวลาเรามีช่วงเว้นเว้นใช่ไหมเช่นเวลาซดกาแฟสมมตินะเวลาจะรับโทรศัพท์เวลาเดินไปห้องน้ำเนี่ยเราใช้เวลาพวกนี้มีสตนะิเราอย่าทิ้งต่อเปล่า ก็พยายามจะใช้เวลาช่วงนั้นแล้วก็โดยเฉพาะเวลาที่จะต้องเดินประชุมเพราะว่าแต่ละตึกค่อนข้างไกลกันนะคะระหว่างที่เดินเนื่องจากเป็นคนเดินเร็วเนี่ยแต่ก็อย่างที่หลวงพ่อสอนนะคะที่ฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าให้รู้กายใช่ไหมคะก็ตอนที่เดินถึงจะเดินเร็วก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่นะแต่ก็ไม่ก็ไม่มั่นใจนะคะ่ะไม่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าก็สงสยัยก็รู้ว่าสงสยัยแต่วันนี้ค่ะก็ทราบว่าอยากทราบแล้วก็อยากจะขอ ท, ทราบ่านพอใช้้ไดะ แต่ปัญหาในขณะนี้ก็คือจิตมันไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมจิตมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเราเองจิตมัน alert ออกไปข้างนอกมากนะให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นพาจิตตั้งมั่นแล้วมันจะเดินตัญญาต่อได้แ ล, แล้วทํำยังไงถึงจะจะได้วิจิตตั้งมั่นทำให้จิตตั้งมั่นได้มันมีสองวิธีวิธีหนึ่งทําสมถะนะจนจิตรวมลงไปจริงๆก็ตั้งมั่นถึงฐานอย่างของคุณทําสมถ ا ยากเพราะว่าเหนื่อยวันวันทำงานที่ต้องคิดนะมันฟุ้งมากทําไม่ได้ พอจะคิดจะทําสมธาธิก็หมดแรงแล้วจะหลับซะ ก, ก่อนะของคุณต้องใช้วิธีให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมัน่นอย่าไปดึงนะของคุณพยายามดึงแล้วอย่าไปดึงมันให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นแล้วมันจะตั้งมั่นเองนะกลับมาคุณค่ะคือพอดีหนูเป็นคนใหม่หนูก็เลยจะขอคําแนะ น, นําหลวงพ่อว่าควรจะเริ่มต้นฝึกยังไงเพราะยังเป็นคนนี่ยังไม่ค่อยชัดเจนกับตัวเองค่ะเป็นคนยังไม่ไมชัดเจนไม่เข้าใจตัวเอง คือคืออยากจะเป็นคนชอบปรุงต่อค่ะเหมือนกับว่าไข่ของเราชอบฟุ้งซ่านรู้สึกไหมค่ะมันฟุ้งเก่งปรุงต่อแล้วมันจะไปมีวิบากทางกาพูดค่ะแล้วมันมาคิดได้ทีหลังแต่มันมันพูดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะสติเรายังไม่ทันใจเรานะต้องฝึกยังไงเดียวนฝึกสตินั่นแหละฝึกสติแต่ว่าอยู่อยู่จะมาฝึกปันสองวันแล้วให้ดีร้อยเปอร์ซนตมันไม่ได้นะ เวลาเราฝึกหลงเนี่ยเราฝึกมานับครบนับชาติไม่ถ่วนเวลาจะฝึกสติก็อย่าใจร้อนให้คอยรู้ทันเวลาใจแอบไปคิดรู้สึกไหมใจเราไปคิดแวบบแวบบแวบบไปเรื่อย <คะ S 1> ๆดูออกไหมอย่างตอนนี้อยากพูดละรู้สึกไหมเนี่ยความอยากมันดันขึ้นมาดันที่ลิ้นปี่เนี่ยดันที่กลางหน้าอกเนี่ยนะอย่างนี้ควรจะอ่าสวดมนต์ก่อนด้วย เออสวดมนได้ น, น, ไดนะส่วดมนแล้วรู้ทันที่ใจไหลไปคิดนะไปฝึกดูใจที่ไหลไปคิดนะไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้ต่อไปกับนักมรสการหลวงพ่อค่ะคือหนูไม่ได้มาที่นี่สี่เดือนครั้งล่าสุดที่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อก็คือว่าหนูส่งเรื่องวิวบากกรรมแล้วหลวงพ่อให้หนูไปดูความเป็นกลางอะค่ะอะไรนะฟังไม่ออกคือหนูเอ่อหนูเคยมาส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งล่าสุด เมื่อวันที่15มิถุนายนนะคะส่งเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมแล้วหลวงพ่อให้ให้หนูไปดูกันบ้านก็คือให้การบ้านหนูไปดูเกี่ยวกับเรื่องความความเป็นกลางอะค่ะก็วันนี้ก็เลยอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยตรวจกันว่านรู้เหรอว่าเราดีขึ้นอะค่ะรู้แล้วต้องถามทําไมล่ะก็คือดูต่อไปใช่ไหมคะหลวงพ่อดูต่อไปนะทําได้ดีแล้วเนี่ยความทุกข์มันก็ลดลงแล้วรู้สึกไหม รู้สึกไหมใจมันตั้งมั่นมากขึ้นใจมันโปร่งโล่งเบามากขึ้นนะะคดีขึ้นแล้วไปดูอีกค่ะขอบคุณค่ะกับนมัศ ก, การหลวงพ่อค่ะทั้งสุดครั้งครั้งที่แล้วหลวงพ่อทักว่าใจไม่มีแรงให้เพิ่มสมถะแล้วก็ดูกายไม่ทราบว่าคุณภาพจิตหนูต้องต้องปรับยังไงต่อดีขึ้น<ห> น, น, น ะ, ะแต่ไปดูกายไปอีกนะไปทำไปรู้กายอีกของคุณ ร, รู้กายให้มากๆไว้ จิตนีิสายคนไม่เหมือนกันคุณสังเกตไหมพอรู้กายแล้วพอจิตมันเคลื่อนไหวมันรู้เองอะมันจะรู้ได้เองขอบพระคุณค่ะการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่ทางด้านเดียเจ้าค่ะคราวที่แล้วส่งการบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าติดเฉยแล้วก็กลับไปปฏิบัติต่อคือบางครั้งเนี่ยก็ตามดูจิต คือจะวกวกนวนแล้วก็จะไหลไปเรื่อยๆไม่มีทิศทางแล้วแต่จะไปบังคับก็ไม่ได้พอสักครู่หนึ่งพอรู้สึกตัวแล้วก็เดินจงกรมอพอจะรู้บ้างแต่ว่าจิตมันก็ยังไม่นิ่งเอางี้เอางี้นะโยมช่างมันเถอะขณะนี้เป็นยังไงขณะนี้บางทีก็ฟุ้งนะคะไปกดไปดูออกไหม เดออกเจ้าค่ะเห็นไหมเรารู้สภาวะไม่ชัด้วยจิตไม่ตั้งมั่นนะฮะจิตไม่ตั้งมั่นมันฟุงส่านนะทำให้เห็นสภาวะไม่ชัดใจมันเลยมัวมัวไปแล้วก็รู้ทันไปเสียนะใจไม่มีกำลังนะพยายามทำในรูปแบบมากๆเลยเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะเราเดินไม่ถนัดเราก็ทำในรูปแบบแค่นี้ก็ได้นะ เคลื่อนไหวแต่ถ้าเคลื่อนไหวซ้ำซากมากนะแจก็เคลิมเราก็เปลี่ยนบ้างมาทางนี้บ้างเคลื่อนอย่างนี้หลายทีแล้วเมื่อยแล้วมาทางนี้บ้างกระดุกระดิกแล้วพยายามกระดุกระดิกแล้วก็รู้สึกตัวไปนะแต่อย่าให้ซ้ําซากแต่ไม่ใช่เปลี่ยนตลอดเวลานะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเต้นแอโรบิกกัเลยยิ่งฟุ้งหนักเข้าไปอ่ะอาวตาไปกราบล้านานหลวขพอค่ะส่งการบ้านนะคะคือเมื่อต้นปีเนี่ยหนูงพ่อให้การบ้านหนูมาว่า ที่ทำไม่ต้องทำอะค่ะอะไรนะที่ทำไม่ต้องทำอะค่ะอดูคิดว่าสิ่งที่หลวดจะเพ่งมากเกินไปค่ะใช่สิเรารู้สึกไหม ใ, หใจเปลี่ยนไปรู้สึกว่าใจสบายขึ้นค่ะใช่สิอย่างที่หลวงพ่อเล่าเรื่องยายฉี่ตะเกียกเห็นไหมภาวนาแล้วเราเพ่งมากมากนะเครียดแต่ถ้าภาวนาแล้วเราตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงไปเรื่อไม่เครียดหรอกใจก็โปร่งขึ้นมา แล้สังเกตไหมใช้ใเคลื่อนไหวตลอดเวลารู้สึกรู้สึกเคลื่อนถี่ขึ้นเรื่อยๆะ น, ข น, น, นะขณะนี้นะคะท่นแหละสติเราเร็วขึ้นเรื่อยๆการภาวนานะเราต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ภาวนาโดยการหน่วงอารมณ์ให้ช้าๆหลายคนพยายามหน่วงอารมณ์ให้ช้าเช่นเดินช้าๆพูดช้าๆทาอะไรช้าๆช้าพูดเลยทำมาหากินไม่ทันใครเขาใช้ไม่ได้นะช้าพูดต้องปราดเปรียวต้องว่องไวนะแต่ถ้าเป็นคนนิสัยช้าๆเราก็ช้าๆ เป็นคนนี้สายปลาดเร็วแล้วก็ปราดเรียวไม่ไปดัดแปลงแต่เราฝึกสติให้เร็วเร็วเร็วจนกระทั้งมันทันกิเลสนะเกตไม่ใจไหลแวบแวบแวบนะรู้สึกเอาค่ะมีผู้แนะนําว่าเดิมเดิมทีที่จะดูที่ท้องผ่องยุบใช่ไหมคะเดี๋ยปเอ่ยชื่อสินะไม่ต้องบอกว่าฝึกมาแบบไหนเดี๋ยวมันกระทบกันเพิ่ว่ามีผู้แนะนำว่าให้หนูเปลีป่ยนเป็นมาดูดูที่มือค่ะดูที่กายอะคะ่ะ ดูไปนะใจมันตื่นขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นรู้สึกไหมไม่ใช่ไปเพ่งอย่างที่หลวงพ่อเทศตะกี้ไปเพ่งงั้นหนูทําอย่างที่หนูคิดว่าใช่ต่อไปถูกต้องใช่ไหมคะฝึกอยู่อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วลหลังต้องมาส่งกันบ้านไหมใจเริ่มหมดแรงแล้ว <c oughs> ดูออกเปล่าดูออกค่ะนั่นแหละแรงมันไม่พอแล้วนะต้องไปทําในรูปแบบแต่ทําในรูปแบบอย่างเราไปนั่งดูท้องฟองยุคเนี่ย ระวังอันเดียวอย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วลืมตัวเองเวลาเดินจงกรมนะก็ไปเดินจงกรมเหมือนเดิมได้แต่ระวังอย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่เท้าไปเพง่งแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ไม่เพง่งนะดีกรีของการรู้เนี่ยแรงไม่เท่ากันค่ะกลับมาบสัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะเ อ, อมีโอกาสได้ มานมัสการหลวงพ่อแล้วก็ได้ฟังซีดีมาประมาณปีครึ่งอะค่ะก็ช่วงแรกก็ก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่าดีกับตัวเองนะคะได้รู้ได้เห็นได้เรียนรู้จิตใจตัวเองมากขึ้นเห็นกิเลสตัวเองมากขึ้นนะคะก็รู้สึกพอมันมีเหตุการณ์หรืออะไรที่มันที่มันเศร้าอะค่ะก็รู้สึกว่าที่ปฏิบัติมามันมันมันพลาดเป้าอะค่ะมันมันไม่ได้ช่วยมันมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือว่าคือเราอย่าประมาทนะ กิเลสเนี่ยถ้ามันไม่แน่จริงมันไม่เป็นเจ้าโลกที่แท้จริงหรอกเราภาวนานะภูมิจิตภูมิธรรมของเราเนี่ยมันไม่สามารถเอาชนะได้อย่างแท้จริงนะพระโสดาบันนะเพิ่งจะละความเห็นผิดได้กิเลสอื่นๆก็ยังแรงอยู่นะขนาดพระโสดาบันนะท้าสกทาคารเนี่ยกิเลสเริ่มอ่อนแรงลงแต่ว่าประมาทไม่ได้หรอกนะขนาดพระนาคาก็ไปติดกิเลสแต่ไปติดกิเลส ท, ที่ละเอียดไม่ใช่หยับหับ อ, บอย่างที่เราเห็นละ ในกิเลสนี่แหละไม่แน่จริงนะไม่ปกครองโลกมาได้เราอย่าประมาทเขาแต่เราก็ไม่ได้กลัวจนฝันนีดีฝ่อใครรู้เอาก็คืออารมณ์โกรธหรือโลภอะไรเงี้ยก็จะเห็นชัดแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็เป็นกลางก็เห็นแล้วก็ไม่ตัว<ะ>ความเศร้าอ่ะอย่าไปยอมมันผู้หญิงหลายคนนะชอบตรงนี้แหละมันแสบแสบคันคันในใจแนละ้วชอบมันนะไม่ใช่ไม่ชอบที่วิตติดเนอะเพราะชอบมันไม่ใช่ครับเพราะว่า มีโอกาสได้สังเกตเห็นครั้งนึงอะคะ่ะก็พอเศร้าแล้วก็มันก็นมีเห็นไ้มตอนนี้หลุดออกมาจากมันแล้ว <c oughs> เห็นไหมพ <c oughs> อคิดว่าจะไม่ยอมมันมันก็หลุดออกมาแล้วไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะยอมมันเองอะเพราะรู้สึกเหมือนนางเอกให้รู้ทันนะสวมวิญญาณนางเอกเนี่ยผู้หญิงเป็นเยอะเลยแล้วอันตรายมันคือการฝึกซ้อมเตรียมตัวที่จะตกนรกนะเพราะอะไรเพราะมันฝึกให้โทสะยอมจิตอยู่ ยอมจนเคยชินนะเรื่องทําอาจินกรรมที่จะเศร้าตายแล้วตกนรกนะเราต้องไม่ยอมนะพระเอกไปขี่ม้าขาวไปช่วยเราไม่ได้หรอกครับเพตอนนี้ก็รู้เลยว่ามันมันเป็นความเคยชินที่อพอกอว่างแนละ้วมันก็จะวิ่งไปก็มีโอกาสได้สังเกตครั้งหนึ่งก็รู้ว่ามันเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็อยากมันมันเหมือนกับมันดึงออกมาไม่ได้ค่ะไม่ไม่ต้องดึงนะให้รู้เฉ<ๆ>ยๆถ้าใจชอบมันให้รู้นะใจอยากจะหลุดออกมาให้รู้เห็นไหม ให้รู้อย่างเป็นกลางแล้วมันจะหลุดเองหรอพอพอมันรู้แล้วมันก็มันก็เห็นความทุรนทุรายความทุรนทุรายอยากจะหลุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วไห้รู้นั่นแหละรู้ทุรนทุรายอยากหลุดนะไม่เป็นกลางแต่พอมันผ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าคือตอนช่วงที่มันเศร้าอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันจมอะค่ะเหมือนตาบอดใจบอดตอนนั้นอะไรก็ก็ช่วยไม่ได้จะฟังซีดีหรือใครมาพูดอะไรก็ช่วยไม่ได้เป็นไปด้ว่าเรากำลังซ้อมตกแะรกอยู่ก็ก็เลย คิดว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเราจิตใจไม่ไม่ไมตั้งมั่นไม่เป็นกลางเรายอม ม, มันเองนะเรายอมให้มันกดฉี่เองอย่ายอมสู้น ะ, ะเราลูกพระพุทธเจ้านะคิดอย่างนี้นะเราลูกพระพุทธเจ้าเรื่องอะไรเราจะต้องยอมให้กิเลสฉี่คอเราไว<ก>้สู้มันหาทางหาทางสู้หาทางมิธีสู้<ห>คือรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าไปหาทาง เ, าเองาเองหาเองไม่ได้นะต้องใช้ทางที่พระพุทธเจ้าสอนค่ะก็มีโอกาสได้ ได้อ่านหนังสือแล้วก็ฟังหลวงพ่อค่ะบอกก็คิดว่าบางคนหลวงพ่อกันแนะนําให้ทําสมถะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้อ่านหนังสือหลวงพ่อบอกว่าของแนะนําไปอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจิตมันใจมันจมอยู่ให้ดึงให้มันหลุดออกมาก่อนอะไรเงี้ยให้ออกมาเสพแต่ละคนไม่เหมือนกันนะของคุณหน่อยแค่ไม่ยอมให้มันครอบงําก็หลุดแล้วแต่ต้องรู้อย่างเป็นกลางอ่ะให้คนอื่นบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่ามากินยาขนาดเดียวกันทุกคนไม่ได้หรอก เอาอะไรก็จะกินแต่ยาแก้ปวดท้องอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้หรอกอา้าวกลับน้มัสกรารหลวงพ่อค่ะพอดีเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมได้สองเดือนอสิ่งที่ทําตอนแรกก็คือลองดูกายแต่ปรากฏว่ามันเหมือนจะติดเพ่งแล้วก็แอบเป็นเครียดนะคะแล้วพอตอนหลังเริ่มเหมือนตามดูตามดูแต่ปรากฏกายเป็นฟุ้งซ่านแล้วก็แบบแอบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ช่วงหลังก็เลยมาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิทุกคืน2เดือนแล้วทีนี้ได้ยินมาว่าเวลาปฏิบัติธรรมค่ะ ควรจะแต่ละคนจะหลุดไม่เหมือนกันเลยอยากทราบว่าของคุณนะเป็นคนคิดมากนะพวกคิดมากให้ดูจิตจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเห็นไหมมันฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งอยากจะสงบรู้ว่าอยากไม่รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะง่ายก็คือดูกายดูจิตใช่ไหมดูกายดูจิตนะแต่ก็ทําในรูปแบบเพราะจิตยังไม่ค่อยมีแรงการทําในรูปแบบหรือทำสมาธิทาอะไรเนี่ยมันเพิ่มพลังแต่ทําพอดีพอดีนะพลังมากไปเลยติดแป๊กอยู่ที่นั้นเลย ขอคุณผู้ชายติดอยู่นะไม่หลุดนะดอูออกขึ้นยังมันค้างอยู่ตลอดเวลาคุณรู้สึกไหมแล้วเสร็จแล้วต่อไปสมองจะเบลเบลนะจะตื้อตื้ไปเลยดีไม่ดีสมองเสื่อมเมานะอย่าไปทําอย่างนั้นไม่ดีอย่าไปน้อมจิตวิ่งไปไหนก็รู้จิตเข้ามาก็รู้จิตหนีไปก็รู้อย่าน้อมเข้ามาของคุณไปติดที่จะดึงคืนมาเนี่ยเลยค้างอยู่ตรงนี้ต้องเลิกนะต้องเลิกให้ได้อา้าไปกาลน้ำสการ ตั้งรู้ตั้งดูค่ะแต่รู้สึกว่าไได้ตลอดตลอดไม่ได้เราไม่ใช่พระอรหันเราต้องรู้บ้างเผลอบ้างนะแต่อย่าให้เผลอนานเท่านั้นแหละคนทั่วๆไปเผลอนานวันละยีิบสี่ชั่วโมงนะของเราเผลอหนะ้านาทีรู้สึกทีหนึ่งหนึ่งนาะทีรู้สึกทีหนึ่งนะสองวินาะทีรู้สึกทีหนึ่งเก่งแนละ้วแล้วก็คืออยากจะแก้ไขตัวเองเพราะว่าตัวเองแบบชอบขี้เศร้าค่ะอืมค่ะ ขี้เศราขี้เศร้าต้องย้ายไปภาวนาตามวัดป่าให้มันตื่นตัวอแล้วก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ขี้เศร้านะเหนืองูเลื้อยมันนอนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแค่คิดอย่างนี้ก็ไม่ขี้เศราละะแล้วก็ยมจิตยมตื่นบ้างหรื อ, อยังเจ้าคะเก่งใจเก่งใจยั ง, ยงแล้วก็เป็นกลางบ้างหรื อ, อ ย, ยังยัง เราต้องกลับไปทำตามรูปแบบบ้างไหมครับพาตัง้งใจให้รู้ทันนะว่าเวลาเราทำรูปแบบแล้วเราซึมนะอย่าให้ซึมนะลองวางไม่์ลงแล้วทำในรูปแบบให้หลวงพ่อดูนิดนึงวางไม่์ก่อนเดี๋ยวทำไม์ก็หล่นเนี่ยจิตฟุ้งซ่านรู้สึกไหมจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะสงสัยทราบไหมจิตสงสัยให้รู้ว่าสงสัยเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปได้ๆนะจิตแอบไปคิดแล้วทราบไหม นี่หัดอย่างนี้นะหัดพุดโทโธไปก็ได้แล้วประจิตแอบไปคิดเรารู้จิตแอบไปคิดเรารู้พื้นฐานของคุณเป็นคนช่างสงสัยนะให้ความสงสัยเกิดขึ้นเด๋ยวมัวแต่คิดหาคําตอบเสียเวลาสงสัยให้รู้วสงสัยแล้วสงสัยก็แสดงไตรลักษณ์เองเกิดแล้วก็ดับน ะ, ะไปคนต่อไปกราบนะมาตรการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือลูกฝึกมานานแล้วแล้วก็วิธีฝึกของลูกบางครั้งจิตจะบอกลูกบางคนผ่านมาแวบเดียวส่วนมาก จิตลูกจะจับธงบางคนส่วนมากจะตายอ่ะหลวงพอ่ออะไรนะฟังไม่ออกตายเจ้าค่ะจิตจะฟ้องว่าคนเนี้ยจะถึงเวลาเวลาที่จะมรณะแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นบ่อยด้วยบางครั้งลูกจึงไม่กล้าไปเล่นจับจิตแล้วค่ะเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเป็นบาปหรือเปล่าไม่ดีนะพยายามรู้สึกอยู่ที่กายให้มากๆนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้สึกของคุณดูร่างกายให้มากมากไว ดูที่กายบ่อยๆนะเช่นกายพยักหน้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะก็จะเป็นบาปเปล่าคะที่เร า, าไ ป, ไปดูเขาเราไปรู้ไม่บาปหรอกแต่เราไปบอกเขาแล้วบาปือลกลคนอื่นไม่กล้าบอกเลยโอ้นะอย่าไปบอกแค่เรารู้ก็แย่เต็มทีแล้ว <Yeah. S 2> อย่าไปรู้ของคนอื่นแต่ถ้าจิตมันรู้นะอย่าสนใจขอบคุณอย่าไปทําความสงบเข้าไปที่จิตนะให้คุณคอยรู้กายไว้ถ้าคุณไปทําความสงบเข้าที่จิตเนะี่ยมันจะเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรไม่ใช่ของจริงหรอก อย่าไปเชื่อมันบางทีฝึกๆเงี้ยเจ้าค่ะบางทีจิตก็ไม่ยอมที่ว่าจะนี่นี่นี่รู้สึกไหมค่ะจิตใจเมื่อกี้เผลอวูบไปเลยรู้สึกกูเก่งไม่ใช่รู้สึกกลัวค่ะเพราะว่าเจอต่อหน้าหลวงพ่อแล้จ้จิตมันจะแฝงค่ะอืมกลัวที่เราจะถามออกไปนี่กลัวว่าหลวงพ่จิตขนาดนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันละรู้สึกไหมรู้สึกเจค่ะเห็นไหมเออเนี่ยดูเห็นไหมมันสลดลงมาแล้วใช่ค่ะอ่าเนี่ยดูมันลงปัจจุบันอย่างเนี้นะ ใครดูไปเรื่อยๆแต่ว่าของคุณน่ยอย่าจริงกายนะรู้กายให้มากๆไว้เวลาเราลึกเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนนะรู้สึกไปเรื่อยๆอย่าดูแต่จิตนะดูจิตมากๆเดี๋ยวฟุ้งออกไปเห็นโน้นเห็นนี่ไม่จริงหรอกนะอย่าไปเชื่อมันอไปท่านต่อไปจลับมาประสบการณ์หลวงพ่อครับอาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปส่งกันบ้านหลวงพ่อที่สวนสถิตลานนะครับหลวงพ่อทักว่าผมจิตฟุ้งๆแล้วก็ พอแป่ไปนิดนึงผมก็เลยกลับมาทําความสงบนะครับด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็บริยายกับผู้โทแต่ระหว่างที่บริกรรมก็ดูเป็นวยว่าจิตไหลไปเรารู้ไหลไปเรารู้ถ้าทําอย่างนี้มันไม่สงบเลยครับไม่ต้องสงบนะให้แค่เราจะฝึกสติแล้วเราจะฝึกสติเพราะฉะนั้นจิตไหลไปเรารู้ไหลไปเรารู้จิตมีความโลภความโกรธความหลงเรารู้จิตฟุ้งซ่านหดผู๋สงสัยเรารู้การที่เรารู้ไปเรื่อยๆอย่างจิตเกิดกามฉันทะ คืออยากในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายล้วก็รู้ทันการมาฉันทาดับใช่จิตไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะรรมารมทั้งหลายล้วก็รู้ว่ามันมีพยาปา ท, ทะพยาบาทนะจิตสงสัยจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูจิตเป็นยังไงเราเคยรู้ได้โตที่เรารู้ทันเนี่ยสภาวะพวกนี้จะสลายตัวไป เมื่อ น, นิวรไม่มีจิตก็จะสงบลงมาเองครับที่ว่าจิตป้อแปะนี่ต้องทําความสงบเข้ามาถึงจะด้เป็นใ่ไรับท่งความทำความสงบแต่ต้องมีสติมากกว่านี้ความสงบที่ทำนี่สติอ่อนไปอีกอีกข้อนึ่งนะครับคือผมได้อ่านหนังสือหลวงปู่มันนะครับที่สนทนากับพระรูปหนึ่งท่านว่าอ่าบุบคคลที่เป็นปุ้ตชนเนี่ยผู้ไม่ได้ปฏิบัติจะใส่ใจข้างเกิดไม่ใส่ใจข้างดับ อะไแล้วกะถ้านะถ้าทำแบบนี้จะเห็นว่าทุกสิ่งเทีย่ยงเป็นสูงแล้วก็เป็นตัวตนนะครับถ้ามองว่าให้ให้ใส่ใจถ้าอยู่นเสร็จใส่ใจพยายามอยู่หหให้อะไรข้างดับนะใะนะส่ใจอ๋อใส่ใจถูกแล้วละ่ะความที่ว่าใส่ใจคือคําว่าโยนิโสมนสิการนะเราไปใส่ใจแต่ว่ามันมีคนมีสัตว์มีเรามีเขานะมัก็หลงผิดไปเรื่อยถ้าเราใส่ใจลงมาดับอะไรดับความเป็นรู้สึกเป็นตัวเป็นตนนะ เห็นไหมร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จิตใจไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ดูอย่างนี้บ่อยๆนะต่อไปก็จะเห็นสภาวะของรูปธรรมเกิดแล้วดับนามาทำเกิดแล้วดับที่แรกดับความเห็นผิดก่อนนะอนะครับอีกคําถามนะคำถามสุดท้ายนะครับแต่คําถามตะกี้นะคิดม า, าไม่ได้นะต้องรู้สึกเอาครับอาจจะไม่เก็บปฏิบัติแต่ว่าเป็นเรื่องปฏิจจารสมา บ, บาทนะครับที่หลวงพ่อเทศในหนังสืออริยสัจนะครับที่ว่า พระพเจ้ากแต่ละองค์เนี้ยจะรู้จแจ้งปฏิจจสมุปบาทไม่เท่ากันนะครับแล้วหลวงพ่อเสริมว่ามีตัวอาสบผมก็เลยอยากจะให้หลวงพ่ออธิบายว่ามันเชื่อมโยงกับอวิชชาอย่างไรครับช่างมันเถอะ น, นะเห็นไหมคําถามสองข้อเนี้ไปอ่านหนังสือมาแล้วมาคิดเอานะเสียเวลาไปดูเอาเองเดี๋ยวจะตอบได้ด้วยตัวเองาอาสวะอาสวะจริงๆนะก็ะเป็นอวิชชาอวิชชาเป็นอาสวะตัวหนึ่ง เป็นอาชาอาสะวะอย่างหนึ่งอาศัยอาสะวะนะั้นก็หล่อเลี้ยงอวิชชาอาศัยอวิชชาก็ไปหล่อเลี้ยงอาสะวะไว้ปลุงกันไปเรื่อยๆสุดท้ายขอให้หลงาาวาางพ่อสอนเฉพาะร่างข้างวิริยีห้าวิฉลองอย่างตอนนี้กดเอาไว้ดูออกไหมไม่เป็นธรรมชาติตอนเนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมจะเข้าไปสังเกตมนะันอ่ะให้รู้ทันนะจิตจะเข้าไปสังเกตก็รู้ทันนะใจลอยไปก็รู้ทันเนะพราะยัง เอาอีกนิดนึงนะครับเอาอีกนิดนึงเหรอติดอยู่ที่ว่ามันเพ่งตรงบริเวณหวับนั่นแหละนั่นแหละต้องเลิกซะไม่ไม่รู้วิธีทําให้หายนะครับก็อย่าไปทํามันก็หายแล้วถ้าเราจงใจไปจ้องมันก็เพ่งไปเรื่อยสิเวลาเราดูจิตนะเราไม่ได้เอาตาไปดูถ้าเราเอาตาไปดูบางทีเราไปตึงอยู่ที่หัวชิ้วบ้างที่ตาบ้างนะที่ตรงนี้บ้างะเป็นวิบากแล้วครับเป็นวิบากครับตัวนี้เป็นตัววิบากเป็นตัวทุกข์ ให้ยอมรับสภาพนะเราไปสร้างมันขึ้นมาเองถ้าอยากให้หายก็อย่าไปทําเหตุของมันเหตุของมันคือความจงใจจะปฏิบัติกลับขอบคุณครับคือตอนนี้ตื่นเต้นนะคะแล้วก็อยากทราบว่าที่ตามรู้กายตามรู้ใจปัจจุบันนี้ดูสภาว่าถูกต้องไหมคะก็ดีเหมือนกันนะแต่ต้องดูอย่างมีความสุขนะดูให้อย่างสบายใจยดูแบบเครียดๆนะไม่ดีก็ได้ดูไปนะะค ในโลกนี้ทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวนะดูไปเรื่อยๆทุกอย่างชั่วคราวค่ะหลวงพ่อคะแล้วมีอยู่เช้าวันหนึงตื่นขึ้นมาแล้วมีจิตเหมือนกับเห็นว่าตัวเองเนี่ยทำตัวอะไรหายไปอยู่อืมนั่นแหละดีนะเราเริ่มเห็นความจริงแล้วว่านี่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมันเป็นอะไรก้อนหนึงนะ ไม่ใช่คนเลยไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะไม่รู้ตัวอะไรนี่เรียกว่าเราถอดถอนความสําคัญมั่นหมายผิดๆออกไปเราเริ่มเห็นความจริงแนละ้วนี่คือรูปนะถ้าจะเรียกว่ามันคืออะไรก็ตามศัพท์ของธรรมะเขาเรียกว่ามันเป็นรูปไม่ใช่คนรู้สึกไหมตัวเราหายไปคือให้ตัวเราหลับปากแต่ปัจจุบันตัวเรายังมีอยู่มีสิมันมีอยู่ที่ใจเรารต้องฝึกอีกนะถ้าเมื่อไหร่ ได้โสดาปฏิมักนะโสดาปฏิมักนั่นแหละถึงจะไปตัดความเป็นตัวเราขาดมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินจะลงกระไดแล้วเหมือนกับว่า เ, าเห็นเห็นขาก้าวไปแต่เจ็บเห็นแต่กลัวจะตกคือคื อ, ค อ, คอมันมันเหมือนกับมันแย่งกันนะคะกลัวจะตกกระไดก็เลยดึงพยายามดึงกลับดึงกลับอะไรเงี้ยค่ะจะทำยังไงนั่นแหละไม่ต้องทําอะไรเห็นไม่กายก็อยู่อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อีกเป็นอีกส่วนหนึ่งคนละอันกันเห็นไหมมันจะตกกระไดไหมคะ อย่าไปเดินให้ตกสิถ้าเดินซุ่มซ้มก็ตกเลยเราเดินลงบันไดเราก็เกาะราวบันไดไปเดินรู้สึกตัวไปของคุณมันไม่ได้จะตกกระไดอะไรหรอกเพื่อในช่วงนั้นนะะมันเป็นจังหวะพอดีจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูมันเห็นร่างกายเดินอยู่เรายังไม่คุ้นเคยที่จะเห็นร่างกายมันเดินเราเคยรู้สึกแต่ว่าเราเดินพอเห็นร่างกายมันเดินไม่คุ้นเคยมันกลัวขึ้นมา แล้วก็ให้รู้ทันความกลัวเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกพอจิตเกิดความกลัวจิตเคลื่อนไหวขึ้นมาเราก็รู้สึกนี่แหละความรู้สึกตัวมันก็เกิดค่ะนะหลวงพ่อคะมีเรื่องสงสัยแต่ว่าไม่เกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะคืออย่างเราเนี่ยปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อบอกว่าเราจะมีได้บุญ ม, มากคันนีเน้เวลาผู้ที่ไม่ได้ป เนี่ยมามากระทบกับเราแล้วเราปฏิบัติเรารู้วิปัสนาเราเราเราปฏิบัติจิตได้หรือว่าตามรู้กายรู้ใจได้แต่ในขณะเดียวกันผู้อื่นที่เขามากระทบกับเราเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบทำให้เขาบาป ไ, ปไม่บาปหรอกนะไ ม, ไม่บาปหรอกเรายังไม่ใช่พระอริยะเราก็ยังมีกิเลสเหมือนกัน อ๋อไม่ต้องกังวลเรื่องนี้จะไปกังวลนะตัวนี้กิเลสหลอกให้เรากังวลเล่นแต่ละคนยังเขาจะไปด่าสมมุติว่าเขาจะไปด่าพระัครบเขาก็ด่าขเขาเองใช่ไหมพระจะไปทําอะไรได้หรืออย่างเราเป็นนักภาวนาคนเขาจะมากระทบกระทั่งเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เนี่ยดังนั้นบุญหรือบาปก็เพราะเขาทําเองไม่ใช่เพราะเรานะครับหน้าที่เราก็อย่าไปยั่วโมโ ห, โหเขาเท่านั้นแหละหน้าที่สําสคัญกว่านั้นนะ อย่าไปรู้สึกว่าฉันเหนือกว่าแกนะฉันดีกว่าแกเพราะแกไม่ปฏิบัติฉันเป็นคนดีฉันปฏิบัติถ้าอย่างนี้เราถูกกิเลสหลอกค่ ะ, <น>ะตอนนี้ถ้าคนใกล้ชิดของเราเนี่ยค่ะอย่างอย่างคนใกล้ชิดของเราเราไม่อยากให้เขาคือคื อ, คอเขาจะบาปเราไม่อยากให้เขาได้พรอเราเนี่ยเราอย่าไปอยากแทนคนอื่นเลยนะเอาตัวให้รอดก่อนนะได้ขอบคุณค่ ะ, คคะคกลับมการหลวงพ่อครับผมเพิ่งมาครั้งแรกฮะเพิ่งตังีงรีหลวงพ่อมาระยะนึงนะครับ ได้ลองปฏิบัติดูกิเลสของตัวเองเห็นโทสะเห็นความโลภมารยาดึงนะไม่ทราบว่าปฏิบ hmm. <off ed> <on> ัติเป็นยังไงบ้างครับก็ดีสินะเห็นกิเลสบ่อยไหมวันหนึ่งก็เห็นบ่อยโทสะเห็นบ่อยครับดีความงดหยุดเห็นบ่อยนะโทสะเราเกิดบ่อยเรารู้บ่อยก็สติเกิดบ่อยแต่ต้องรู้ด้วยความเป็นกลางนะรู้อย่างเป็นกลางไม่ใช่ว่าทํายังไงโทสะจะไม่เกิดนี่ไม่เป็นกลางแล้วแต่แต่ผมชอบดูยังไงโทสะจะดับนี่ไม่เป็นกลาง แต่ผมจะชอบดูโทสะแต่ผมไม่ชอบดูที่ว่าเป็นคู่นะฮะที่ผมว่าว่ามีโทสะแล้วไม่มีโทสะถ้าถ้าผมจะดูแต่โทสะแต่ผมไม่ไม่ค่อยดูว่าช่วงที่ไม่มีโทสะช่วงที่มันว่างๆไม่ใช่ช่วงที่เรารู้โทสะเนี่ยถ้าเรารู้ถูกต้องนะในขณะนั้นไม่มีโทสะหรอกแล้วช่วงนั้นเราต้องรู้ไหมฮะ pas, ว่าเราไม่มีอยู่อา้าวถ้าเราไม่รู้นะเราก็เท่ากับเราฝึกได้ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งหลงไปแนละ้อตอนที่มีโทสะเรารู้ว่ามีโทสะใช่ไหมเนี่ยเราได้คะแนนแล ตอนนี้จิตไม่มีโทสะเราไม่รู้ทันว่าจิตไม่มีโทสะตอนนี้เราไม่ได้ทนานําคะแนนอ๋อครับนั้นการที่รู้สภาวะต่อเนื่องไปเรื่อยนะ<อ>เห็นเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปด้วย น, นั่นแหละดีได้คะแนนเยอะอ๋อครับแล้วช่วงปิติปิติมันจะเกิดบ่อยนะฮะมันติดสมถะไหมก็กไม่ห้ามมันจะเป็ น, เ ป, นเป็นการติดสมถะไหมฮะไม่เป็นหรอกไม่ไม่เป็นสมถะต้องอย่างของคนนี้ครับติดอ๋อครับคนยังไม่ได้ติดคือช่วงหลังผมก็เริ่มเห็นเห็น เห็นสภาวะคือเห็นทุกอย่างมันเลือกเป็นสมมุตินะฮะผมไม่รู้ว่าผมเห็นถูกต้องไหมหรือว่าผมคิดไปเองเห็นถูกต้องนะแต่อย่าให้ปัญญานําไปนะบางคนพอเริ่มเห็นว่าทุกอย่างว่างเปล่าทุกอย่างเป็นของสมมุตินะแล้วน้อมใจเชื่อไปแล้วไปปฏิเสธสมมุติความจริงสมมุติก็เป็นความจริงเรียกว่าสมมุติสัจจะอย่างพอเราไปเห็นพ่อเห็นแม่เราเงี้ยเราก็ไปนี่รูปนี่นามไม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่แมไม่มีไอ้นี่ปฏิเสธสมมุติไปแล้วอย่างนั้นปัญญามันล้าหน้าฟุ้งซ่านไป ปฏิบัติตอนนี้ใช้ใช้ได้ไหมครับปฏิบัติตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะใช้ได้แต่ตอนนี้มันตื่นเต้นไปกดเอาไว้ให้นิ่งครับนะอย่าไปกดมันครับรู้สึกไหมจิตมันนิ่งอยู่ครับรู้สึกครับออนะต้องปล่อยให้ได้ของคุณต้องลืมลืมบ้างนะรู้สึกไหมเวลาเราลืมตัวเองไปแต่ของคุณมันฝึกเพ่งจนชํานาญขนาดลืมไปนะตัวนี้ยังนิ่งอยู่เลยนะต้องอดทนนิดหนึ่งนะหลวงพ่อทำอยู่ตรงนี้ยี่บสปีนะ กราบขอบคุณครับกราบนมัสการครั บ, ร บ, รบหลวงพ่อผมฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณห้าหกเดือนแล้วครับแล้วก็ช่วงสองสามเดือนแรกเนี่ยผมมีรู้สึกความรู้สึกว่าอยู่ดีๆปกติก็จะรู้สึกว่าวันตอนนี้คิดไปนะหลงไปนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็รู้ว่ามีครั้งหนึ่งนอนไปนึกไปหลงไปมาก็มีเหมือนกับอาการว่วงจั ด, จด ของหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บครับแล้วก็จะเป็นอยู่นี้ประมาณหลายครั้งพอสมควรแล้วก็หลายหลายครั้งก็เป็นอยู่เรื่อยๆก็มีครั้งที่สาอีกครั้งหนึ่งที่มีผิดปกติก็คืออยู่ดีๆก็เหมือนปิดสวิตต์ปิดดับปิดดับปิดดับปิดดับแล้วก็จางกลับมาผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับก็ดีแล้วนี่ครับแต่แต่หลังหลังมามันไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นเหมือนเหมือนแค่รู้ว่าหลงไปหลงไปท้อไปนี <h <h ่ทารู <h <h ้เท่านั้นพอละนะครับ นี่แต่จิตของคุณตอนนี้มันไม่ตั้งมั่นนะจิตมันแรงมันไม่พอนะทำในรูปแบบบ้างเช่นเดินจงกรมอะไรเนี้ยขอบคุณมากครับคุณภาวนาก็ดีนะมันเห็นสภาวะมันเกิดดับนะที่ภาวนาแล้วรู้สึกง่วงตลอดไปเลยนะเป็นช่วงแนละ้วจิตมันมีนิพพิทามันเบื่อโลกมันก็หลบเข้ามาข้างในนะมันเหมือนจะหลับอยู่ตลอดเวลาล้วก็ดูต่อไปไม่เลิกนะ ใครรู้สึ ก, กว่าเล อ, อบ้ า, บางอตอนที่นั่งรู้สึกไหมใจนีุ้๊บปุ๊บปุ๊บาบางคนเริ่มห่วงรถแล้วรู้สึกไหม <c oughs> <c oughs> เอ้าว่าไป ค, คือทุกวันนี้ก็ปฏิบัติเน้นรูปแบบโดยการเอาสติสังเกตเวทนาโดยไล่จากศีรษะลงไ ป, ไปถึงปลายเท้าอนะคะแล้วก็ไล่ย้อนกลับแล้วก็ไล่จากด้านหน้าไปด้านหลังจากด้านหลังมาด้านหน้าขวาไปซ้ายซ้ายไปขวานะคะ ก็เพื่อที่จะให้เกิดสติส่วนใหญ่จะปฏิบัติอย่างนี้วันหนึ่งก็พยายามทำให้ได้สามถึงสี่ครั้งนะฮะแล้วก็ส่วนวันทั่วไปในเวลาทั่วไปถ้าไม่มีเหตุวุ่นวายมากก็จะพยายามสังเกตก็จะนึกได้ฮะแต่ถ้ามีอะไรทานี่จะจะนึกไม่ค่อยได้ก็จะเผลอก็อยากให้หลวงพ่อแน่นนะเวลาเราซ้อมรู้เวทนานะสังเกตไปด้วยจิตเราเคลื่อนไปไหม สังเกตนะให้รู้ทันตัวนี้ไว้นะถ้าเราไปรู้เวทนาแล้วจิตเราไหลตามเวทนาไปหรือว่าจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงเคลื่อนไม่ถึงหลงใช่ไหมคะไม่มันจะเคลื่อนไปสงจะไปดูเวทนาที่ผู้เรีนแล้วจิตจิตมันไหลไปเรื่อยๆใช่ใช่ตัวเนี้ยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เหรอคะอันเนี้ยเรามีแค่สติ เราเวทนาเกิดที่นี้เรารู้เกิดที่นี้เรารู้นี่ซ้อมสตินะแต่ว่าจิตเราไม่ได้ตั้งมั่นเราไม่ได้ซ้อมสัมมาสมาธิด้วยค่ะมิถีซ้อมสัมมาสมาธิคือเวลาเรารู้ที่หูเนี่ยถ้าจิตเราไหลไปที่หูเราก็รู้ทันนะให้เรารู้ทันด้วยอกว่าจิตไปที่หูเอานะให้รู้ทันจิตไปอีกอย่างหนึ่งเพราะงั้นจิตของคุณมันจะลอยคุณรู้สึกไหมจิตของคุณจะกระจายกว้าง ขณะนี้เพราะอะไรเพราะมันเที่ยวตามรู้สภาวะภายนอกไปเรื่อยมันให้รู้ว่าตัวมันเคลื่อนไปคุณให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปก็คือให้รู้จากจุดเราแล้วก็เคลื่อนไปไหนใช่ไหมใช่แต่อย่าไปบังคับเขานะแค่รู้ว่าเขาเคลื่อนค่ะจุดที่คุณพลาดมันนี้เดียวเองอะคเรารู้เวทนาตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการฝึกสตินะ แต่ว่าเราทิ้งสัมมาสามาธิจิตมันไหลตามไปด้วยโอ้โะเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วปัญญาจะเกิดจะเห็นเลยกลายนี้ไม่ใช่เราเวทนาที่อาศัยอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่ตัวเรานะจิตก็อยู่ต่างหาก เ, เองหลวงพ่อหมายถึงเวลาเราเคลื่อนนี่ให้รู้ขนาดที่เคลื่อนด้วยใช่ไหมคะใช่อ๋อไม่ใช่รู้ขนาดที่เคลื่อนรู้ว่าจิตเคลื่อนอ๋อลุ้ว่าจิตเคลื่อนมันไม่ควรจะเคลื่อนเลยอ๋อไม่ควรจะมันรู้สึกเลยที่มันไม่เคลื่อน คือบางครั้งนี้อาจจะหลงคิดไปอย่างสมมติว่าปฏิบัติอยู่แล้วหลงไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ก็เรารู้ตัวนี่รู้ว่าหลงใช่เขารู้ว่าหลงนะแต่อย่างเวลาเราจงใจดูในร่างกายอวัยวะต่างๆเนี่ยจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ตรงนี้เราก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปที่นี่เราก็รู้ทันให้คอยรู้ทันจิตแค่รู้ทันใช่ไหมคะใช่ไม่ได้บังคับนะที่ผ่านมามันไหลตามไปหมดเลยจิตมันเลยกระจายเจ้าออกไปข้างนอกมันจะรู้สึกมีแต่ความสุข สบายเพลินๆไปวันๆนหนึ่งแล้วมันจะไม่ตัดหรอกอรอยิยมรรคจะเกิด<อ>ไม่ได้เพรา ะ, ะไม่มีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการปฏิบัตินะเวลาคนโบราณเขาสร้างสัญลักษณ์เขาสร้างพระนาคปลกขึ้นมาพระนาคปลกน้าคต้อมีเจ็ดเศียรใช่ไหมแล้วก็พระต้องนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งท่าอื่นด้วยตัวพระนั่งสมาธินั่นเป็นแทนตัวสัมมาสมาธินาคเจ็ดเศียรนั้นแทนองค์มรรคที่เหลือทั้งเจ็ วงมรักที่เหลือนะั้นประชุมกันลงที่จิตในขณะเดียวกันได้ด้วยกําลังของสัมมาสมาธิถ้าปราศจากสัมมาสมาธิแล้วมรักแต่และตัวจะกระจัดกระจายรวมพลังเข้ามาด้วยกันไม่ได้ล้างกิเลสไม่ได้จริงนะเพราะฉะั้นเราต้องมีสัมมาสมาธินะถ้าใจเราไม่ตั้งมัน่นต้องรู้ทันตั้งมั่นนี่หมายถึงยังไงคะอย่างตอนนี้ใจไหลไปสงสัยใช่ไหมแล้วก็หลงไปอยู่ในความคิดเนี่ยหลงไปในความคิดี่ไม่ตั้งมัน่นลองมองหน้าหลวงพ่อให้ชัดๆสิ เห็นไหมใจไหลมาอยู่ที่หลวงพ่อใจไม่ตั้งมั่นอ่านิดนึงอนะหัดดูอย่างเงี้ยก็คือให้รู้ตัวใช่ไหมคะให้รู้ว่าใจไม่ตั้งมั่นให้รู้ตัวเดี๋ยวไม่รู้จะตัวอะไรขึ้นมาอีกค่ะขอบคุณค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อนะครับฟังธรรมมาฟังธรรมหลวงพ่อมาแล้วสองปีครับเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกครับแล้วก็ที่ใช้วิหารธรรมอยู่ก็คือใช้น่าจะเรียกว่า เพ่งลมหายใจก็ว่าได้ครับใช่เพ่งลมแล้วก็ทำในรูปแบบตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นด้วยคุณวางไม่ลงนะครับแล้วหายใจให้หลวงพ่อดูลืมหลวงพ่อไปเลยนะหายใจเหมือนที่เราเคยทำจริงๆรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไหวไปตอลอดเวลานะคอยรู้นะคอยรู้อย่าให้ใจถล่มไปแล้วดีละแล้วก็ก็คือตอนนี้ก็คือ ต้องกลับไปทํางานที่เกาหลีก็3ปีถึงจะกลับมาของคุณของคุณน่าใจมันจะต้องตั้งมั่นแล้วก็มีความสุขมากกว่านี้หน่อยนะใจมันแห้งแรงไปนิดหนึ่งดูออกเป่าดูครับนะมันเจริญปัญญาแล้วมันใจมันแห้งแรงไปมันมันมันฟุ้งไปก่อนแหละครับเออนะให้รู้ทันไปมันฟุ้งไปแล้วใจแห้งแรงนะคิดถึงพระพุทธเจ้าบ้างฟังธรรมะบ้างนะอ่านพุทธประวัติบ้างอะไรเงี้ยให้ใจเราชุ่มชื่นกว่านี้ใจแห้งแรงไป ครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ใช้เวลาไปเยอะเลยทีเดียวนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ผมจะเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับร่วมกันถวายทานที่ทุกท่านนำมานะครับรวมไปถึงปัจจัยต่างๆข้าพเจ้าทั้งหลายข อ, อน้อมถวายเครื่องปัจจัทยทาธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับ เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเนทิเนสาธาวาริวาหะปุราปาริปุเรนตีสาขลังเอวเมวายโตดินนางเปตานางอุปกะ ป, ะ ป, ะปะติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตุ สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปันาราโสยถ า, ามณิโชติราโสยถ า, าสัภีติโยวิวัชชนตูสภาโรโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภาอาภิวาธนาศีลิสนิจังุทธาปจจายิโนจัตตาโรธรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง อย่าลืมนะมีสติรู้กายรู้ใจนะลงปัจจุบันนะรู้ตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางทนะาวันหนึ่งก็จะถึงมรรคนิพพานเฉพาะว่ามินมีความสุขที่สุดเลยนะ